จเจริญพูทุกทท่านที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกมันยากตรงที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเราก็เลยคิดเอาเองว่าการปฏิบัติทเต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ส่วนมากก็คิดว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาีิต้องเดินจงกรมมากๆอันนั้นมันเกลือกของการปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆปฏิบัติกันที่ใจ อย่างเราเดินจงกรมสวยนะใจเราไม่ถูกวางจิตมันไม่ถูกมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินสวยอย่างเดียวหรือนั่งได้นานก็ทรมาตัวเองไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่หลวงพ่อมื่อกีเดินเข้ามาก็ดูว่าเขาใช่เทศเรื่องอะไรใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข เรื่องความสุขนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อแนละ้วจะมีความสุขคนที่เคยเรียนกับหลวงพ่อมานะจะเป็นพยานให้ได้เลยว่าถ้าฝึกอยู่กับหลวงพ่อนะบางคนเดือนสองเดือนเองชีวิตจิตใ จ, จเปลี่ยนเคยมีความทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นๆแต่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อยังไม่ถึงขั้นไม่ทุกข์เลยยังมีทุกข์อยู่แต่ว่าทุกข์ไม่มากน้อยกว่าเกา่า ชีวิตจิตใจนั้นเปลี่ยนไปคือใครๆก็อยากได้ความสุขนะตลอดชีวิตเราเราติดโดนหาความสุขมาตลอดอแต่แต่เด็กๆเราก็ฝันไปคิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะดีสบายตอนเป็นนักเรียนไม่สบายภาระเยอะถูกบังคับมากเงินก็ไม่มีจะใช้ต้องขอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเององั้นถ้าเราเรียนจบได้มีงานมีการทําเราพึ่งตัวเองได้จะมีความสุข พอเรียนหน้าสือจบนะก็เริ่มมีเงื่อนไขต่ออีกต้องมีงานดีๆทําเงินเดือนเยอะๆถึงจะมีความสุขเงินเดือนนิดหน่อยไม่มีความสุขไม่พอใช้แล้วก็ต้องมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีลูกลูกก็ต้องหน้าตาดีต้องฉลาดบางทีเราก็ลืมดูตัวเองนะว่าหน้าตาอย่างเราผลิตเด็กออกมาไงก็ไม่ฉลาดหรอกเ น, นี่ยเรามีความสุขของเรานะี่ยมันยิงอาศัยมีเงื่อนไขอ่ะ มีใส่เงื่อนไขต่างๆเยอะแยะเลยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะมีความสุขนะต่อไปพอโตขึ้นมานะก็มีตําแหน่งใหญ่ๆเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรนะี่ถึงจะดีมีตําแหน่งแล้วนะก็ยังอยากต้องมีชีวิตยืนยาวอีกได้ครองตําแหน่งนานๆได้ยิ่งดีมีสุขภาพดีนะพออายุมากเข้านะ ความใฝันถ้าสุขภาพดีจะมีความสุขพอแก่มากๆเจ็บมากๆนั้นก็มีแต่คำว่าท่าถ้าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขตั้งแต่เด <reality> ็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งแก่นะมันก็ยังมีคำว่าท่าอยู่อีกอะจนวันไหนแก่มากแล้วนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีความสุขมีเงื่อนไขความสุขนั้นมีเงื่อนไขตลอดเลยนี้ทำยังไงเราจะสามารถมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไข มีความสุขได้อย่างแท้จริงศัตรูของความสุขก็คือความทุกข์นั่นแหละถ้าเราสามารถถอนความทุกข์ออกไปได้ความสุขมันก็เกิดอันตโนมัตินี้ไม่ได้พูดสำนวนอุหานนะเป็นเรื่องจริงเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเที่ยวหาความสุขพราหาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกแต่ท่านสอนให้เราถอนความทุกข์ออกจากใจเราอย่างถ้าเราดูอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์ ถ้าเราจะถอนความทุกข์ออกากใจเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลาดพลาดกับสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์การที่อยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์นี่คือความทุกข์ทั้งหลายเลยนี่เราจะถอนความทุกข์ออกไปได้ยังไงถอนความแก่ได้ไหมถอนไม่ได้ถอนความเจ็บได้ไหมถอนไม่ได้ถอนความตายได้ไหมถอนไม่ได้ หรือการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้มันจะพลัดพรากเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อย่างเรารักกันอยู่ดีๆคนหนึ่งตายปรุปรับไปก็มีหรือตัวเราเองเรารักตัวเองที่สุด น, นะถึงเวลาไปตรวจร่างกายไปจปําปีเป็นมะเร็งตายแล้วนะคือเราเราพร้อมที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักถึงยังไงก็ต้องพลัดพราก ยิ่งจะอยู่กันรักกันแค่ไหนก็ตามถึงวันหนึ่งก็ต้องพลาดลาไม่จากเป็นก็จากตายหรือเราจะห้ามว่าอย่าเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะต้องเจอแต่คนที่ชอบเราก็สั่งไม่ได้หรือเราตั้งใจว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นนะเราสนองความอยากได้ทุกคราวแนตะ่เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะความอยากของเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเห็นถ้าเป็นอย่างนี้ดูแล้วความทุกขนะมันห้ามไม่ได้ แก่ก็ห้ามไม่ได้เจ็บก er ็ห้ามไม่ได้จะตายก็ห้ามไม่ได้เจระพลากอยากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะไม่สมหวังนั้นจะห้ามไม่ได้แล้วไม่จะถอนความทุกข์ออกจากใจได้ยังไงตัวนี้เป็นศาสตร์ที่พวกเราควรจะเรียนรู้เป็นศาสตร์ถ้าพวกเราเรียนรู้ศาสตร์อันนี้แล้วเราจะถอนความทุกข์ออกได้แม้กระทั่งแก่ก็ไม่ทุกข์นะแม้จะเจ็บก็ไม่ทุกข์ไม่จะตายก็ไม่ทุกข์ คนที่เรารักใกล้ปูกพันอยู่อยู่วันหนึ่งจากไปก็ไม่ทุกข์นะหรือบ้านเราอยู่ของเราดีๆอยู่ๆมีโรงงานมาตั้งใจมันยังไม่ทุกข์เลยเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยเราสามารถฝึกได้ความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจน่ยอมรับความจริงที่กาลังเป็นอยู่ไม่ได้ยอมรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้อย่างร่างกายเราแก่ เรายามรับไม่ได้ว่าร่างกายต้องแก่เราก็เลยคุ่มใจพวกเราเนื้อถึงผมหงอกเส้นแรกได้ไหมใครใครมีผมหงอกแล้วบ้างยกมือสิเหมโอ้เกือบทั้งห้องนะ <c oughs> ใครมีตีนกาแล้วบ้างยกมือสิโอเยอะเหมือนกันนึกออกไหมตอนผมหงอกเส้นแรกที่เราเห็นนะรู้สึกยังไงสดชื่น ผมงอกแล้วอยู่มาจนอาวุโสแล้วผมงอกเส้นแรกหรือตีนการแรกเนี่ยเจ็บปวดมากทำนะไมเจ็บปวดมากเรายังไม่อยากแก่แต่สัญญาณของความแก่มาถึงแล้วท่าคนอินเดียเพุ่นโบราณนี่ถ้าพอเริ่มผมงอกนะก็จะต้องออกจากบ้านออกไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าใจหลักธรรมแล้วก็กลับมาเผยแพร่ต่อ เป็นวงจรชีวิตของเขาอันนั้นเขาจะให้ยอมยอมรับได้นะแก่แล้วก็มีเส้นทางเดินของคนแก่อะไรอย่างี้ของเราเนี่ยพอผมงอกเรายอมรับไม่ได้เราก็พุ่มใจแนละ้วตินกา ข, ขึ้นยอมรับไม่ได้ก็พุ่มใจไม่แก่หรือเจ็บไข้ไม่สบายเคยไหคพุ่มใจโมโหตัวเองทำไมขี้โรคจังโมโห ยอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันจะต้องป่วยยอมรับความจริงไม่ได้ว่าจะต้องตายรู้ใจมากอย่างบางคนตรวจร่างกายแล้วหมอรู้เลยอยู่ได้ไม่นานลบเราหมอบอกบอกเธอเป็นอะไรหมอเธอหมอบอกเรื่องจริงนะอยู่ไม่ถึงที่หมอบอกอยูตกใจนยอมรับไม่ได้หรืออย่างเรายอมรับไม่ได้ว่าคนที่เรารักเนีย่ยวันหนึ่งต้องจากไปหรือเราต้องจากเขาไปยังไงก็ต้องจาก ถึงยิรักกันมากนะไม่จากเป็นก็จากตายไม่เขาตายก็เราตายยังไงก็จากเนี่ยพอเรายอมรักกบความจริงไม่ได้ว่าเราต้องพลาดพลาดจก g, ากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็กลุ่มใจเสีย ใ, ใจเรายอมรักกบความจริงไม่ได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบบ้างมันจะสมหวังอะไรตลอดเวลาแตถ้าเรายอมรับไม่ได้มันก็ถูกใจ้ถ้ามเมื่อไหร่นะเรายอมรักกบความจริงได้ว่าเป็นธรรมดา ที่เราต้องแก่เป็นธรม ร, créer, นธรมดาที่เราต้องเจ็บเป็นธรรมดาที่เราต้องตายเป็นธรรมดาที่เราต้องพลัดพลากจากสิ่งที่รักที่คนที่รักเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเป็นธรรมดาที่เราต้องผิดหวังผิดหวังบ้างไม่ใช่หวังอะไรก็ได้อย่างที่หวังทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราเห็นความเป็นธรรมดานีแหละธรรมดานี้แหละคือคำว่าธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะอืเห็นความเป็นธรรมดา ธรรมดาว่าอะไรว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ธรรมดาของกายธรรมดาของจิตใจก็คือสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจทางกายหรือใจเนี่ยเราอยู่สองคนแล้วพลัดพรากไปทุกข์กายหรือใจทุกข์ใจถูกเป็นทุกข์ทางใจ การที่เจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเป็นทุกข์ทางใจใชความไม่สมหวังเป็นทุกข์ทางใจงั้นความทุกข์มันมีสองซีดสองซีกนะทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ก็กายนี้มันจะต้องทุกข์ใจนี้มันจะต้องทุกข์นะเราจะปรุมใจการที่ปฏิเสธความจริงนั่นแหละนำความทุกข์มาให้อย่างมากมายเลยบางทียังไม่ทันจะพลัดพลากจากสิ่งที่รักเลยคิดล่วงหน้า แฟนเรานอกใจเราหรือเปล่าเคยไหมใครเคยคิดอย่างนี้ไหมสงสัยแค่สงสัยก็เป็นทุกข์แล้วนะยัไม่ทันเดียบพลาดพลากเลยแค่สงสัยว่ามันนอกใจเราแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วใจไม่ยอมรับไม่ได้นการที่จะมาฝึกให้ใจยอมรับความจริงได้ใจยอมรับธรรมะได้ธรรมะเป็นความจรงิงความจริงของกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความจริงของจิตใจนะต้องมีการพลาดพลากจากสิ่งที่รับว่าง ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างต้องผิดหวังบ้างทำอย่างไรใจเราจะยอมรับความจริงได้อันนี้แหละคือศาสตร์ที่เราจะมาฝึกให้ใจฉลาดการมาฝึกให้ใจฉลาดให้ใจยอมรับความจริงเข้าถึงความจริงได้นี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การฝึกให้ตัวเองผิดมนุษย์มนาบางคนนะคิดว่าวาดภาพเอาไว้ในตราหานเนี่ยจะยิ้มยังไม่ได้เลยนะยิ้มถือว่าโลก น้าบึ้งก็ไม่ได้โกรธวางหน้ายากมากเลยนะถ้รหันในความคิดของบางคนเนะี่ยหันซ้ายหานันขวาก็ไม่ได้ว่าโลกอยากดูุมันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่ามั น, นุษนะ์นะวาดเข้าเองมันอยู่ที่ใจนะใจว่าใจเนะ่ะเข้าใจความจริงหรือเปล่าถ้าใจเข้าใจความจริงยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ยึดถืออะไรใจมันยังไม่ทุกข์ การที่ใจจะยอมรับความจริงได้นะมีทางเดียวนะพาใจให้เห็นความจริงบ่อยๆจิตใจเราเหมือนเด็กคนหนึ่งเราทําเด็กเนี่ยให้ฉลาดไม่ได้เราสั่งให้เด็กฉลาดไม่ได้แต่เราให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเราจะบอกให้ลูกเราเก่งนีอยู่ๆเราบอกเธอจงเก่งมันไม่เก่งหรอกเราให้มันเรียนรู้นี่บางคนมันก็เรียนรู้ได้เร็วนะบางคนก็เรียนรู้ได้ช้าการที่พาจิตใจให้เรียนรู้ความจริง ทำยังไง น, นี้แหละคือศาสตร์ที่อยากให้พวกเราได้เรียนนะความจริงนั้นมันปรากฏอยู่ที่กายที่ใจนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราล่าเลยที่จะคอยอยู่มันความจริงอยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลาอย่างร่างกายเนี่ยมีความแก่เกิดขึ้นหนึ่งเนืองเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ดูยากมีความเจ็บเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะเนืองเนืองเลย นั่งอยู่นานๆก็ทุกข์นะมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินนับนานๆก็ทุกข์อีกต้องต้องไปนั่งนะนั่งมากเดินมากเมื่อยนะไปนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปด้วยอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยดูที่ร่างกายให้ดีท่างกายยัมีความทุกข์เกิดขึ้นหนึ่งๆใครนั่งแล้วขันบ้างมีไหมขันวัดเราทําไงเก่าที่ผ่านมาเนี่ย ขันปุ๊บเก่าปรับยังไม่ทันรู้เลยว่าขันรู้ออไหมมันกลบเกลื่อนความทุกข์ไปโดยอันตโนมัติแล้วยังไม่เคยเห็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ข้อที่1ก็คือการลืมกายลืมใจเราลืมตัวเราเองข้อที่2ก็คือเราไปแทรกแสงกายแทรกแซงใจจนผิดความจริงเราก็เลยเห็นความจริงของมันไม่ได้เนี่ยสตัวนี้เองที่ทําให้เราเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้ ก็เลยทําให้เรายอมรับความจริงคือธรรมะที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ไม่ได้เพรายอมรับไม่ได้นะเราก็ไปฝ่ฝันสิ่งซึ่งมันไม่เป็นจริงอย่างหวังจะไม่แก่หวังจะไม่เจ็บหวังจะไม่ตายหวังจะต้องสมหวังตลอดเวลาเนี่ยงั้นทางที่ดีนะเราต้องมาเรียนรู้ตัวเองให้ได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ขั้นแรกเลยต้องรู้สึกกายรู้สึกใจ คนทั่วๆไปในโลกนี้ยไม่รู้สึกตัวตื่นนอนมาก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นร่างกายเป็นยังไงไม่สนใจจิตใจตัวเองเป็นไงไม่สนใจพวกเราทุกคนนะรักตัวเองมากที่สุดรักกายรักใจไม่รักที่สุดนะแต่ละเลยมากที่สุดเลยเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นมากกว่าสนใจตัวเองต่อไปนนี้นะพยายามย้อนกลับมานะรู้สึกตัวเองบ่อยๆ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกคอยรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจลอยไปอย่างคนทั่วๆไปนะตื่นนอนมาใจเขาเริ่มคิดะวันนี้วันอะไรคิดถึงวันนี้วันอะไร ว, วันนี้วันจันทร์จะต้องไปทํางานตะลีตาลานลุกขึ้นมารีบไปทํางานแกจะต้องคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นตลอดเวลาขับรถไปถูกคนทเขาปานหน้าเราดูอะไรดูคนที่ปาด เราไม่ดูว่าใจกาลังโกรธเงี้ยงั้นเราลนเลยที่จะดูตัวเองตลอดเวลาเลยเราชับคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราลนเลยที่จะรู้สึกตัวเองอย่างเวลาเราเห็นคนที่เราชอบหรือเห็นของที่อยากได้เราสนใจอะไรสมมติเราไปเดินส่วนการค้าเจอ iPhone 5 iPhone 6กอะไรทมุมมีไหมไอโฟนเออไอโฟนห้ 5, ใช่ไหม อยากได้เวลาอยากได้ใจอยู่อยู่ที่ไอโฟนนึกออกไหมมันจะไม่เห็นว่าใจกำลังอยากได้เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ตัวเองเพราะใจของเราไปอยู่ข้างนอกสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเดินสวนไปเห็นสาวงามเห็นนางงามเดินมาใจที่ชอบคขาละไม่เห็นใจที่ชอบไปเห็นแต่สาวงามเวลาไปไหนมาไหนนะเจอรถชนกันเคยเจอไหมรถชนกัน เวลารถชนกันเราต้องทําไงถ้ายังไกลๆอยู่ก็หงุดหงิดว่ารถติดใช่ไหมพอเข้าใกล้เราแหล่ยทำให้รถติดเราต้องชะลอดูเราดูอะไระเราดูรถชนกันเราไม่ดูใจที่อยากจะดูไม่ดูใจที่สยองะดูไปด้วยกลัวไปด้วยบุงคนนะวุ้ยมันจะชนกันแรงแค่ไหนจะศบจะเล็กเทะไหมอีอีอีนะหลีตาดูที่ว่าน่ากลัวน้อยลง เป็นไหมสนใจอะไรสนใจของที่บนถนนนะไม่รู้ว่าใจตัวเองกำลังกลัวใจตัวเองกาลังสยดสยองนี่เราลองมาบอกเรารักตัวเองเราไม่เคยสนใจตัวเองสักทีเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาต่อไปนี้นะพยายามกลับมาสนใจตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปหัดรู้สึกอย่างร่างกายมันนั่งอยู่คอยรู้สึก ต่อไปไม่ใช่เห็นร่างกายนั่งอยู่ความทุกข์ก็มาตามหยิบคั้นนั่งนานๆก็เมื่อยต้องขยับไปขยับมาหรือหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจไปหายใจไปเก็รู้สึกเลยนะว่าเราหายใจเพื่อหนีความทุกข์หายใจเข้ามากๆก็ทุกข์ต้องหายใจออกหายใจออกมากๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าลองดูซิลองหายใจให้ยาวที่สุดเลยดูซิทุกข์ไหมทุกข์ไหม หายใจเข้าได้ไม่ถึงนาทีแล้ทนไม่ไหวนะต้องรีบหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจออกไปสภกพนะักนงก็ทุกข์อีกแล้วนะต้องรีบหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเนร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเพราะเราไปเปลี่ยนอิริยาบถนะนะย่งเปลี่ยนการหายใจเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเวลานอนเป็นทุกข์ไหมกาคืนนอนขยับไหมพลิกม พลิกกี่ครั้งชักไม่แน่ใจ mm hmm. ปกติก็พีิกสามสิบครั้งสี่สิบครั้งประมาณนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนไม่ค่อยพลิกบางคนพลิกเยอะทําไมต้องพลิกตัวเพราะมันทุกข์ที่ผ่านมาพอมันทุกข์ก็พลิกไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวเนี่ยท่าใจเราอยู่กับตัวเองนะเราจะเห็นไหมร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ท่าใจมันแจ่มแจ้งนะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกขะเวลาร่างกายจะตาย อะไรเป็นคนตายตัวถูกตายเวลาร่างกายเจ็บอะไรเจ็บตัวถูกเจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บนะตัวทุกมันเจ็บเวลามันแก่ใครมันแก่ตัวทุกมันแก่คือถ้าเราสามารถเห็นความจริงของร่างกายได้ว่าไม่ได้น่ารักน่าผงแหนอย่างที่คิดมันจะแก่ร่างกายมันแก่ไม่เกี่ยวกับเราร่างกายมันเจ็บไม่เกี่ยวกับเราร่างกายมันตายไม่เกี่ยวกับเรา หรือเราเห็นใจใจเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาได้ความสุขมาแป๊บแปเพราะว่าความสุขหายไปต้องดิ้นใหม่อย่างอยากมาฟังเทศนั่งรถมาแทบตายรถติดจะถึงไม่ทันจะทันไม่ทันทันว่าจะได้เข้ามาไหมบางทีหลวงพ่อพิเทศนะที่นั่งไม่พออนะไรเงี้ยเราจะมาฟังเทศจะได้เข้าไหมอยากส่งคนบ้านจะได้ส่งไหมอะไเงี้ยใจในสุดก็ได้มาฟังเทศ มาฟังเทศน์น้สักพักนึงอยากกลับบ้านเอ้ะถ้าเย็นกว่านี้นะเดี๋ยวรถติดความจริงฝ่ารถติดมาตั้งนานนะเพื่อจะมาฟังเทศน์แต่กลัวรถติดกลับบ้านยากอยู่แล้วเนี่ยใจนะใจใจมันดิ้นตลอดเลยให้คอยรู้ไว้จิตใจเรามีความสุขคอยรู้ไว้จิตใจเรามีความทุกข์คอยรู้ไว้จิตใจเราดีคอยรู้ไว้จิตใจโลภคอยรู้จิตใจโกรธคอยรู้จิตใจหลงคอยรู้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหูคอยรู้ รู้จักไหมรู้จักสุขไหมใครไม่รู้จักสุขไหมมีไหมแล้วของไม่ก็รู้จักอยู่ทุกก็รู้จักใช่ไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมอยากโน้นอยากนี้รู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหู่ไหมเคยหดหู่ไหมรู้จักเซงไหมเบื่อละเบื่อความรู้สึกนานาชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไหม ความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นคอยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้ทันไม่ใช่เพื่อว่าจะสั่งให้มันดีสั่งให้มันสุขสั่งให้มันสงบไม่ได้มัวเอาดีเอาสุขเอาสงบนะการที่เรามาคอยรู้ทันความรู้สึกที่หมุนอยู่ในใจเราเนะะี you, ่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าความรู้สึกทุกชนิด mm. hmm. ที่เข้ามาสู่ใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีไมความสุขนิรันดร พวกเรานึกถึงเรื่องราวที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดในชีวิตออกไหมแต่ละคนตอนไหนที่สุขที่สุดในชีวิตนึกออกไหมผ่านไปยังออแล้วตอนที่ทุกข์มีไหมทุกข์ทุกนานที่สุดเรื่องอะไรใครทุกนานอหากหักทุกนานใครมีเคยอกหักไหมยกมือซิกขาหันไหนใครเคยอหกหัก มีแต่ผู้หญิงนอกหกักผู้ชายมันไม่ยกเลยมัอ้อรรนหนเงี้ยชอบกลอกอกหักเป็นทุกข์ใช่ไหมตอนที่อกหกักครั้งที่หนึ่งอุทุกมากเลยเหมือนโรคถล่มทลายโรคเคยเป็นสีชมพูก็มืดไปหมดเลยมืดมนเป็นสีเทาหมนเร้าหมองก็ได้ดฝนันคิดนะว่าโอ้ชีวิตนี้นะคงไม่มีความสุขแล้วล่ะ ขาดเธอสักคนเดียวชีวิตเนี่ยต้องเฉาเป็นตลอดชาติเลยเนี่ยคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ชาติของเราสั้นนิดเดียวแหละนะไม่กี่เดือนหรอกะเดี๋ยวก็ลืมโอหังครั้งที่หนึ่งก็เจ็บมากหน่อยใช่ไหมครั้งที่สองก็เจ็บอ่าง่ะครั้งที่ยี่สิบก็เฉยเฉยเลยมันฉิบเหมือนผมหอกอะไรหลยเส้นยอมรับได้ชาตินี่คงจะเป็นโซนอมตะยอมรับได้ไม่แปลกอะไรเรื่องธรรมดา เนี่ยเรามาหัดดูนะมาหาดัดูดูในจิตใจเราจะเห็นในความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวอกหักว่าทุกนักหนามันก็ทุกชั่วคราวถึงวันหนึ่งมันก็หายสมมไปจีบสาวได้โอ้สุขเนี่แะชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้ได้เธอมาแล้วมีความสุขที่สุดชาตินี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วคิดอย่างนี้นะไม่กี่วันหรอกมันก็ต้องการคนอื่นอีกแล้วละ่ะคนนี้ได้แล้วก็พอไปแล้วนะ ต้องการใหม่มเมื่อไรมันจะไปให้พ้นเราก็เริ่มเปน็นนินทาเมียนะพวกเลยนะแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดูย อ, อย่างก็หมาอะไรผู้หญิงก็นินทาสามีนะถ้าเป็นพระจะรู้นะชอบมาเล่าแต่คนนะเรียกความสุขนะนก็ชั่วคราวหาแทบตายดิ้นรนแทบตายได้มาแนละ้วก็สุขแป๊บเดียว ความทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวไม่อยู่นานหรอกถึงไงก็หายใครเคยเล่นแชร์บ้างมีไหมใครเคยเล่นยกมือซิยกมือใครเคยเล่นแชร์บ้างไม่เคยอุที่นี่รวยจริงเงินกเล่นแชร์ด้นะมีความสุขตอนที่เปียดได้ใช่ไหม <c oughs> หลังจากนั้นไม่มีความสุขแล้วแบกความสุขสั้นนิดเดียวหรืออดออมนะเก็บเงินด้วยทุกเดือนเลยไม่ยอมใช้เอาไปส่งแชร์ ได้เป็นมือสุดท้ายได้มามีความสุขหูลำบากตั้งนานทั้งยี่สิบเดือนปีหนึ่งสองปีมีความสุขปั่นึป็นความสุขนะท่านนิดเดียวเลยลำบากตั้งนานเนี่ยเราคอยรู้นะให้รู้ของเราดูความจริงไปเลยความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์มันก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวโกรธก็โกรธชั่วคราวเคยตั้งใจไหมว่าจะกลัวทั้งชาติคนเนี้ไม่ครบแลนะ้ว เร็วซามต่าช้ามากเลยต่อไป น, นี้ไม่คบมันอีกแล้วมันหลอกลวงเรามาจีบเราแล้วก็หนีไปจีบคนอื่นแอบเดียวนะั้นมันกลับมาจีบใหม่นะก็ใจอ่อนอีกแล้วนี่คนเราต้องรู้จักให้อภัยนะหลวงพ่อประโมทสอนเราไปโน่นซีอีกความจริงใจมันไม่เทีย่ยนงะใจมันไม่เทีย่ยห้ามมันไม่ได้เราโกรธก็โกรธชั่วคราวรักมันก็รักชั่วคราวนะดีก็ดีชัววช่วคราวชั่วก็ช่วยชั่วคราวไม่มีใครชัว่วอมตะหรอก นะเป็นคราวๆไปเท่านั้นเลยทุกคราวที่ตาเรามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยความสุขความทุกข์ทางใจก็เกิดความดีความชั่วทางใจก็เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดตามการมองเห็นการได้ยินการได้กลิน่นการได้รสการได้สัมผัสทางกายการที่ใจคิดนึกเรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบกระทบอารมณ์นะ กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกระทบเรื่องราวทางใจเรากระทบแล้วเนี่ยจิตใจจะเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างห้ามไม่ได้หรอกเคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธแต่พอเห็นหน้ามันนะประหลอดขึ้นกรี๊ดเลยโกรธยั้งไม่อยู่เลยเนี่ยคิดว่าจะไม่โกรธมันก็โกรธได้มันบังคับไม่ได้มันทําไมโกรธไปเห็นเขาเห็นศัตรูไปโกรธบางทีไม่เห็นมันนะ อยู่ๆหน้าของอีนางคนนี้มันโผล่ขึ้นมาเกลียดเข้าไส้เลยเคยเป็นไหมใส่กเกลียดไหมพวกเราเรารักใครนะเราก็คิดถึงคนนั้นบ่อยใช่ไหมเราเกลียดใครเราก็คิดถึงบ่อยเป็นไหมหรือเกลียดแล้วไม่เคยคิดถึงเลยทำได้งั้นบุญรักหนานะส่วนมากก็เป็นหรอกรักรักเ ข, เ, ข เ, เขาก็คิดถึงเขาเกลียดเขาก็คิดถึงเขาเนี่ยพอเราคิดถึงคนที่เรารักเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์บางที คิดถึงคนที่เราเราอ้ยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนยใจเป็นถูกแล้วคิดถึงคนที่เรารัก อ, อ, อใจใจกว้ย เ, เ, เดี๋ยวนัดเจอกันเย็นนี้น ines, ไปกินข้าวให้กันแหมมีความสุขแล้วใจมันคิดความรู้สึกมันก็เปลี่ยนตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนแจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างอยู่บ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าเน่ roots. เคยไหมกลิ่นเน่าเน่ในบ้านเราความรู้สึกเปลี่ยนรู้สึกแ้แย่เัยตัวอะไรมาตายในบ้าน เราเที่ยวหาแล้วแต่ถ้าไปอยู่ที่วัดแนละ้วได้กลิ่นเน้ำเน่าจะไม่รู้สึกว่าตัวอะไรมาตายนะรู้สึกว่าไอ้ที่ตายแล้วมันมาละไม่ <c oughs> <c oughs> ไปกลัวไม่ใช่กังวลว่าอะไรอยู่ในบ้านเราลนะกลัวผีขึ้นมาละเนี่ยจมูกได้กลิ่นนะความรู้สึกก็เปลี่ยนหรือบางคนนะบ้านอยู่ข้างคลอง น, น้ําเน่าตลอดได้กลิ่นน้นําเน่าเย็นชินเลยนะแล้วก็บินไปอยู่เมือง น, นอกนานไม่เคยเจอน้ําเน่าเลยกลับมาพอได้กลิ่นเหม็นๆของเมืองไทยเท่านั้นนะดีใจ <c oughs> เป็นไหมใครเคยไปเมืองนอกนานๆกลับมานะเห็นบรรยากาศเมืองไทยนะถ้าดูไปแล้วนะแย่ๆเลยเห็นเรามีความสุขนเห็ได้กลิ่นแล้วก็มีความสุขเนีความรู้สึกนะควารู้สึกมันเกิดจากการกระทบอารมณ์แล้วเราเลือกไม่ได้ว่าพอเรากระทบอารมณ์แล้วจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้หรอกทางชั่วก็มันจะโกรธหรือมันจะโลภหรือมันจะหลงมันจะฟุ้งซ่านหรือมันจะหดหู่เราเลือกไม่ได้ เนี่ยเราหัดคอยรู้คอยดูลงไปเรื่อยๆคอยดูมันเกิดขึ้นที่ใจเราเี่ทางร่างกายก็คอยดูไปเรื่อยมันถูกความทสูงบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทางจิตใจก็คอยดูไปด้วยมีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วก็บังคับไม่ได้เนี่ยดูอย่างนี้เป็นการพาจิตใจเนี่ยให้เห็นความจริงของกายของใจนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการที่เราคอยรู้กายอย่างที่กายเป็นคอยรู้ใจอย่างที่ใจเป็น นพวกเราอีกพวกหนึ่งนะสุดตรงไปเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็บังคับกายบังคับใจต้องเดินท่านี้ต้องนั่งท่านี้เวลากินข้าวก็ต้องทําแบบนี้แม้บางคนเยวกินข้าวสักคำหนึ่ง น, น, นานมากเลยค้อยขยบพอดีน้ําตาลตกช็อกไปซะก่อนหรือไม่ได้กินข้าวหรือนะหิวน้ํามากเลยเลยกินน้ํำชั้แก้วลง ไตวายไปก่อนครับไม่ใช่คิดเลยเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั่นคือการที่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะที่เขาดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้ช้าช้าลงอ่ะเพื่อว่าสติที่ช้าช้าจะได้รู้ทันพวกเราอย่าไปฝึกร่างกายจิตใจให้มันช้ามากเกินไปเราฝึกสติให้ใหไวๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเคลื่อนไหวตามธรรมดาของเ ร, เราแล้วรู้สึกได้เนี่ยดีที่สุดเลยเพราะเราอยู่ในชีวิตจริงเราไม่ได้ทําอะไรช้า ถ้าเราปกติเราเดินช้าเราก็รู้ไปปกติเป็นคนเดินเร็วก็เดินเร็วไม่จําเป็นต้องเดินเหมือนเหมือนกันไม่ต้องเดินท่าเดียวกันไม่ต้องทําอะไรที่ซ้ํำซากกันแต่ละคนมีทางของตัวเองธรรมะนี่เป็นเรื่องแปลกนะอริยะมรกมีอันเดียวเท่านั้นเองมีทางสายเดียวในการที่จ ะ, จะเจริญสติท่านบอกว่าจะสติปัฏฐานนะจะมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรูป้รรนามตามความเป็นจริงเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธ แต่เวลาที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยทางใครทางมันแต่อยู่ในหลักของสติปัฏฐานจะดูกายแล้ก็มีใจตั้งมั่นเพ้่มาเป็นคนดูไม่ไปบังคับกายแล้วก็ไม่ลืมกายจะดูความสุขความทุกข์เป็นเครื่องอยู่ เ, ยเรียนรู้ความสุขความทุกข์ทางกายทางใจเราก็ไม่ลืมความสุขความทุกข์นั้นในขณะเดียวกันก็มไม่เข้าไปแทรกแซงมันอย่างบางคนนั่งสมาธิอยู่มันปวดปวดแล้วตั้งใจนะจะนั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายปวด นั่งไปเรื่อยหลายหายชั่วโมงนะมันชาไปทั้งตัวเลยหายปวดแล้วหายปวดแล้วมันได้อะไรกูเก่งสิงั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อแทรกแสงมันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตามใจตัวเองบอกว่าเนี่ยปกติของเราดูหนังฟังเพลงก็ดูมันทุกวันปกติชอบเล่นม้าเล่นมยวยเราก็เล่นมันไปเรื่อยๆอย่างไรก็ใช้ไม่ได้หรอกงั้นเราพยายามนะรักษาศี่ห้าแล้วก็ค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆแต่อย่าไปแทรกแสงมัน รู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นะเคยเคี้ยวข้าวเคี้ยวไปปกตินี่แหละก็เห็นร่างกายมันกําลังเคี้ยวอยู่ไม่ต้องคอยไปเคี้ยวหัวงพ่อมีคนรู้จักคนหนึ่งนะเอาไปฝึกกรรมฐานได้มาเขาแปลงฝันนะกินข้าวเช้าแล้วก็แปลงฟันจนกระทั่งเพื่อนแปลงฝันตอนเที่ยงนะเยเนี่ยังแปลงฝันตอนเช้าไม่เสร็จเลยนะเหงื่อนี่คงชอกช้ําไปหมดแล้ว นานมากเลยไม่ต้องทำอะไรที่ผิดธรรมดาขนาดนั้นนะแต่ปกติที่บางทีเขาเดินจงกรมคนหัดใหม่ๆเขาจะเดินช้าลงนิดหน่อยเพราะสติตัวเองไม่ไหวนะเดินเร็วๆเดี๋ยวใจหนีไปที่อื่นซะเลยค่อยๆเดินช้าๆหน่อยแต่ไม่ใช่ช้าจนย่องย่องนะเก้ากัไปหนึ่งเก้าเนี่ยใจหนีไปยี่สิครั้งแล้วไม่ใชนะ่ให้พอดีพอดี งั้นเราอย่าไปแทรกแซงกายอย่าไปแทรกแซงใจแล้วก็อย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองนะมีศัพท์อันหนึ่งเรียกว่ากามสุขขาดีกา ร, การนิยโญ่มันตามใจกิเลสไปลืมตัวเองการคืออะไรการมคุณอารมณ์ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมัวแต่สนใจสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ได้ยินลืมกายลืมใจตัวเองนี่แหละจิตมันหลงไปสุดโตง่งไปข้างกามสุขขาดีกา ร, การนยิยโญ่ อาตากิลมัฏฐายกกับข้างกันคือบังคับกายบังคับใจนั่นเองทํากายทําใจให้ลําบากเราใช้กายใช้ใจธรรมดานี่แล้วเราเรียนรู้มันว่าธรรมดามันเป็นยังไงเรียนรู้มันไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนรู้สึกมันแล้วก็เห็นมันทํางานไปฝึกอย่างนี้นะในสุดใจมันจะฉลาดแจมจะเห็นความจริงว่าโอธรรมดาร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าใจมันเห็นตรงนี้นะ พอมันแก่ไอ้ตัวทุกข์มันแก่ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันเจ็บเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันตายตายชั่วใก้ก็ดีไม่เดือดร้อนหรอกหรือเราเห็นจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราดิ้นรนตลอดดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าปัญญามันเกิดนะความสุขก็ของชั่วคราวที่ดิ้นอะไรนักหนาอยากได้อะไรนักหนาความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวที่กลัวอะไรมันนักหนาแน่ใจมันจะหมดการดิ้นรนนะ ใจที่ไม่ดิ้นรนเรียกว่าใจไม่มีตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นใจที่มันรู้ความจริงของกายมันจะไม่ดิ้นรนเพราะกายมันรู้ความจริงของ จ, จิตใจจะไม่ดิ้นรนเพราะ จ, จิตใจเมื่อมันไม่ดิ้นรนเนี่ยใจมันจะเข้าถึงความสุขความสงบมีความสุขนี่แหละจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยเขใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญานี่แหละจะทําให้มีความสุขได้ ใหใช้ชีวิตแบบสนองกิเลสไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะสุขถ้าอย่างนี้จะสุขไม่มีทางเลยเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขตลอดชีวิตหรอกแต่ถ้าเรารู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจเห็นกายอย่างที่ใจเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนะต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายแก่แก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องธรรมดาใจก็ไม่ทุกข์ด้วยเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บร่างกายก็ให้หมอรักษาไปใจเราเราก็ดูแลของเราเอง มีความสุขนีม่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเพิ่งมรณภาพหลวงพ่อคำเขียนเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะสำหรับคนที่สนใจการปฏิบัติเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะหายใจเองก็ไม่ได้เขาเจาะนะกินอาหารก็ไม่ได้เขาต้องเจาะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความสบายในร่างกายเลยถ้าเป็นพวกเราเนะ่รุ่มใจตายนะ่ท่านเนี่ยมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเขาเจาะให้พูดไม่ได้เลยนะพูดก็ไม่ได้ หา ใ, ใจออกมาเนี่ยสเลดออกจากช่องที่จอ น, นี่เลยแล้วนะมีชีวิตโอ้ถ้าเป็นพวกเราเนะี่ยพุ่มใจตายท่านมีความสุขใจถ้าเนี้ยิ่มเ อ, มเอมบเิกบานสบายต้องคอยปลอบคนที่ไปเยี่ยมซีกพูดปลอบแล้วก็เขียนปลอบนะเขียนน้ำลายเขียนอย่างโน้อนอย่างนี้เนะี่ยใจที่ฝึกไว้ดีนะร่างกายมันแก่ร่างกายเจ็บร่างกายมันตายไม่ได้หวั่นไหวเลย ชีวิตเนี้ยเต็มไปด้วยความสุขเราสามารถฝึกได้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ฝึกได้ถ้าเรารู้วิจีแล้วเราลงมือทําให้จริงจังเราก็ทําได้ถ้าเราไม่รู้วิจีก็ทําไม่ได้ถ้ารู้วิจีแล้วไม่ลงมือทําให้จริงจังก็ทําไม่ได้ต่อไปนี้นะการจะลงมือทําให้จริงจังง่ายๆนะข้อที่หนึ่งรักษาศีล5้าไว้ขอแค่ศีลห้าเพราะถ้าไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่าน อย่างคนคิดจะทําร้ายเขาคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชั่วเขาไม่สงบหรอกคนโกหกหลอกลวงจิตใจไม่สงบหรอกคนที่เลาเมาวยาจิตใจไม่สงบหรอกนั่นรักษาศีล5้าไว้นะใจจะสงบใจจะสบายหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวให้ใจิตใจอยู่กับตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้จักคําว่าใจลอยไหมคนโบราณเก่งมากเลยนะใจลอยมันลอยไปยังไงลอยไปดูลอยไปฟังลอยไปจิต ลอยไปทางตาหูจมูกลิ้นกาใจนั่นเองอย่าลอยให้มันใจลอยนานมันลอยไปแล้วรู้ยิบรู้ไหวจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนั่นแหะคือคำว่าสมาธิที่ดีใจลอยนี่นคือศัตรูของสมาธิเลยใจมันลอยไปที่อื่นมันฟุ้งซ่านนั่นแหละเนี่ยคนโบราณนะมีสัท์เฉพาะที่ดีมากๆเลยใจลอยฝรั่งก็คงงงนวะ่าใจลอยเป็นยังไงแปลคําว่าใจคำหนึ่งลอยอีกคำหนึ่ง แต่เราก็ไม่รู้ความหมายจิตใจอยู่กับเนื้อกับ ต, ต, ตัวตรงไหนว่าเนื้อตรงไหนว่าตัวตรงไหนรู้จักไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาโบราณตอนหลวงอเด็กๆเราเล่นไล่จับกับเพื่อนถ้าใครถูกจับก็ต้องเป็นคนไล่หลวงพ่อเวลาไล่จับก็เราก็วิ่งไปจับครับจับได้ก็เราก็ชนะเขาเป็นคนไล่เราบ้างเราไม่ต้องวิ่งแล้วเราเดินสบาย ไอ้เพื่อนที่เป็นคนจับนั้นมันเห็นเราเดินสบายๆเอาไอ้คนนี้แหละวะโดนมันจับมือปุ๊บจับตัวเองได้แล้วเอ้ยจับมือเองไม่ได้จับตัวสักหน่อยเองจับมือมันก็ชักตกใจแล้วเฮ้ยเองจับแขนมันรวบอย่างนี้แล้วเองกอดเอวอ่ะเองไม่ได้จับตัวมันงงนะแล้วมันก็สรุปคำเดียวไอ้ขี้โกงแม้มันไม่รู้จักธรรมะเลยจริงๆตัวไม่มีหรอก ตัวไม่มีหรอกใครฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอบอกตัวไม่มีสิ่งแม้ท่าสะทยมันบึกล้ลํานะอย่าใจลอยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้มีสร้อยต่อยนะโดยไม่ได้บังคับไหวรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติธรรมดารู้สึกตัวได้จิตใจที่ธรรมชาติธรรมดาแล้วนะ เห็นร่างกายมันเดิน orn, เห็นร่างกายมันยืนนั่งนอนเห็นร่ากายมันยิ้มเอาทุกคนยิ้มซิยิ้มหวานยิ้มเหมือนเพิ่งมีคนมาบอกรักลองยิ้มซิแต่บางคนไม่ยิ้มว่าคนหัวเราะเห็นไม่ร่างกายยิ้มเนี่ยเราเห็นด้วยใจนะไม่ต้องเอากระจกมาส่องอรู้สึกไหมตัวเองยิ้มเนี่ยแค่รู้สึกแค่นี้รู้สึกไหมพยักหน้าเนี่ยแค่รู้สึกนะรู้สึกในกายนะรู้สึกแค่นี้เองอย่าไปจ้องนะต่อไปนี้ยิ้ม อ้พยับหน้าอย่างนี้เกินไปนะให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาเนะไอ้นั่นตึงไปตึงเครียดไปนั้นเวลารู้ร่างกายนะก็รู้มันเป็นสบายๆนี่แหลนะกินข้าวเห็นเคี้ยวข้าวบ้างเคี้ยวลิ้นตัวเองบ้างบางคนกินข้าวชอบกัดลิ้นนะไปนั่งขับถ่ายนะก็เห็นร่างกายขับถ่ายนะบางค น, นไปสอนกันบอกว่าข้าว่วมห้ามปฏิบัติตเพราะบาป ไม่จริงนะเผื่อตายในส้วมนะเห็นไหมเอาแน่ไม่ได้คนตายในส้วมมีไหมมีมีนะเมื่อเราไม่ทิ้งเลยการมีสติมีสติก็คือคอยรู้สึกเอารู้สึกร่างกายรู้สึกนะอยู่ในห้องน้ําก็รู้สึกไปขับถ่ายเวลาท้องผูกมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกขใช่ไหมถ่ายออกก้อนที่หนึ่งดีใจไหม <S <S เออ ถ่ายไปห้าร้ก้อนแล้วไม่เลิอกอ่ะรูม <c oughs> รั่ยใจไหมเออรูมัใจเนี่ยแค่ขับถ่ายนะก็ปฏิบัติได้เห็นร่างกายขับถ่ายใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆขับถ่ายขนาดนี้ดีใจขับถ่ายอย่างนี้เฉยๆละขับถ่ายอย่างนี้ชัดกรู้มใจละเนี่ยดูได้ตลอดนะดูกายดูใจเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยจะกินข้าวก็ดูได้นะเห็นร่างกายกินข้าวคาที่หนึ่งเนี่ยเจอของชอบคําที่หนึ่งพอใจมากดีใจอรอ่อยเหลือเกิน คำตอบต่อไปเนี่ยความพอใจจะค่อยๆลดลงนะสมมติเราชอบกินไข่เจียวทุกอย่างโอ้มีไข่เจียวจานเบ้เร้อเลยดีใจนะกินไปหน่อยเดียวชักเอียนนะก็ะคําที่ยี่สิบเนี่ยไม่ไหวนะไม่มีของอื่นบ้างเหรอเนี่ยความรักหายไปแล้วนะนะความรักเนี่ยสั้นนิดเดียวนะแค่เคี้ยวข้าวไม่กี่คําความรู้สึกก็เปลี่ยนแนละ้วเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองร่างกายก็คอยรู้สึกเหมือนไปจิตใจก็คอยรู้สึกเหมือนไป เพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นความจริงมันไม่ใช่ของดีเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ความสุขความทุกข์ทั้งหลายนี่ก็เป็นของชั่วคราวเป็ของเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ดีหรือชั่วเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้จะถามแล้วทาชั่วได้ไหมถ้าเราเห็นว่าความชั่วก็เป็นเรื่องปกติเกิดแล้วก็ดับเราทําชั่วไม่ได้คนที่ทําชั่วได้เพราะขาดสติเพราะเรามีสติเรารู้ทันว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจเรารู้ทันกิเลสจะครอบใจเราไม่ได้รับรองไม่ผิดศีล คนเราทำชั่วได้เพราะว่าสติมันไม่มีมันรู้ไม่เท่าทานจิตใจของตัวเองค่อยฝึกนะพอจาได้ไหมให้จิตใจอยู่กับเนื้อผ้าตัวนะเออไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใจลอยเป็นนานใจลอยแล้วรีบรู้สึกเร็วๆแต่รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้ก็อย่างสบายๆไม่รู้เคร่งเครียดถ้ารู้เคร่งเครียดใช้ไม่ได้ทำอะไรก็โอ้เครียดไปหมดเลยใช้ไม่ได้นั้นตึงเกินไป เราไม่ตึงไปไม่หย่อนไปหย่อนไปคือดืมตัวเองตึงไปก็คือบังคับตัวเองรู้สึกไปสบายๆถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้ได้นะเรามีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตใจจะมีความสุขทันทีนั่นจะมีความสุขโชยขึ้นมาแผ่วๆนะะความสุขผุดขึ้นมาผุดขึ้นมามีความสุขแล้วถ้าเราได้เห็นความจริงของกายของใจแนละ้วคลายความยึดถือกายยึดถือใจยิ่งความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ต้องเรียนรู้รู้สึกตัวไม่ใจลอยรู้สึกไปสบายๆเห็นกายทางานเห็นใจทํางา น, น, งานแต่พื้นฐานจืดสีนะ่ห้าไวฝึกอย่างนี้นะทุกวันแบ่งเวลาไว้สักหน่อยสักสินาทีพอไว้พระสวดมนต์ไม่ต้องสวดยาวไหว้พราสวดมนต์เสร็จแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไปทำำํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วแต่ถนะ ถนัดพุดโทโธก็าทำพุทโธถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจถนัดดูฟองยุบก็ดูไปแต่ดูแล้วคอยรู้ทันจิตดูท้องฟองยุบจิตนี้ไปคิดเล้วรู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปจ้องอยู่ที่ท้องแล้วชักเค ร, รี่งเครียดละก็รู้ทันหายใจไปจิตหนี้ไปคิดเล้วรู้จิตไปเพ่งจ้องอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้ชักครียงเครียดเกินไปถ้าไปจ้องอย่าเครียดเกถ้าลอยไปก็นี่หย่อนไปสังเกตเแต่ว่าตรงที่มันหย่อนไปตึงไปไนไั่นแหละ แล้วมันพอดีเองเมื่อไหรไม่หย่อนไม่ตึงเมื่อนั้นก็พอดีนะพอดีไม่ต้องทําขึ้นอาศัยรู้ตรงที่ไม่พอดีมันหย่อนไปก็มันหนีไม่คิดแหละมันตึงไปคือบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปสบายๆซ้อมนะทุกวันแบ่งเวลาสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจใจตึงไปรู้ทันใจหย่อนไปรู้ทันรู้สบายสบาย พอรู้แล้วพอเลิกทำกรรมฐานแล้วมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่แหละเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทำงานเรื่อยๆไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างบางคนใช้เวลานิดเดียวนะใชเวลาไม่นานก็เข้าใจธรรมะกต่เข้าใจธรรมะคือจิตยอมรับความจริง น, นั่นเองไม่ยากอะไรหรอกพอสมควรแล้วนะก็ คือเท่าที่ปานิ้ภาวนาด่ค่ะก็เหมือนบางทีงงอะค่ะว่าเปิดเรื่องต้นใหม่แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจคะะมีความงงเกิดมาบ่อยๆว่าต่างเดียวถูกหอ่ก็เหมือนกันโงง่มากเลยหน้าที่เราเรรู้สภาวะธรรมที่กลังปรากฏในปัจจุบันงงก็เป็นสภาวะธรรมเนะงงก็รู้ว่าต่างยังงงแค่นี้เองจะเห็นได้งงก็อยู่ชั่วคราวเดีวก็ดับหรืองงเนี่ยัตามความคิดมา คิดแล้วก็งงไม่คิดไม่งงหรอกแล้วก็จะเห็นเลยงงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละการปฏิบัติอยาให้ไมากกว่าว่าตอนนี้คือหลไปแล้วค่ะใจขนาดนี้เป็นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาถ้ารู้ก็ใช้ได้ละ่ะก็นเใจฟุ้งไปใช้อาารฟน้ใจ้เข้ามาอยู่กับเนื้อกันตัวนะ ใจไม่อยู่กันนี่ตัตัวพวกเราหลายคนภาวนานะที่เห็นเห็นเยอะเลยเราชอบไปคิดบาทีร็ฟังธรรมะความว่างอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ทําใจโล่งๆว่างๆไปไร้สาระนะกี่ปีมึอยู่แค่นั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปอยู่กับความว่าง น, นะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนอย่างหลวงปู่ดูลสอนว่าสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหา อยู่กลียาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลือได้เสียอย่าง น, นั้นท่านพูดถึงจิตพระรหานถ้าเราจะปฏิบัติท่านบอกให้ทํายานเห็นจิตเหมันตาเห็นรูปเห็นจิตมันทํางานไปเหมือนเราเห็นค น, นเขาเคลื่อนไปวงั้นอย่าไปอยู่ในว่างๆนะแชนอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้ดีปีมก็อยู่อย่างนั้นเลยทุกวันนี้คนสอนดูจิตเยอะนะแต่มันไม่เป็นนิพพานาส่วนใหญ่มันจะไปเป็นสมถะ การดูจิตไม่ใช่ไปดูจิตดูจิตเนี่ยต้องดูอย่างที่พระเจ้าสอนจิตตานลัคนาเนี่ยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีก็รู้ไว่าไม่มีจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโหถูกก็รู้อะไรย่างจิตลังเลสงสัยก็รู้งนั้นดูจิตไม่ใช่ไปจ้องใส่ตัวจิตจิตนั้นไม่มีรูปด่างไม่มีตัวตนมันเป็นอารูปไม่ว่ามันไม่มีรูป เม่เราจะไปดูของที่ไม่มีตัวตนเราดูไม่ได้ดงนั้นการจะดูจิตให้เห็นว่าจิตเกิดดับเมื่อเราดูผ่านความรู้สึกอย่างจิตที่มีความสุขนีถ้าเราเห็นจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นมาพอความสุขมันหายไปนะมันกลายเป็นจิตเฉยเฉยหรือจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเราถึงจะเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับได้การเห็นจิตเกิดดับนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนานะแต่การเห็นจิตเกิดดับนั้นเราเห็นผ่านสิ่งที่มาประกอบจิตไม่ใช่จิตตสังขารสิ่งที่มาปลุกจิต ไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆแล้วการดูจิตนั้นต้องให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้เอาอยู่ๆไปจงใจดูมันจะว่างทันทีเลยไปปรับวิธีนะอย้่อยู่ๆจะดูจิตแล้วก็ว่างสิไม่มีอะไรให้ดูไม่ดูไม่มีอะไรดูนานๆสงสัยนี่ปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหรอกเข้าใจยังโอ้ต้องปรับนะค่ะนภาสการอาจารย์ คือว่ า, ามีขนาดที่เปิดเฟย์แล้วดูจิต ด, ดูใจมันวาเพิมมันเคิมไปกับเพลงก็รู้แต่พอดูดูไปมันมั่นหมายกับมีตัวนึ่มาดูดูต่อมาอะไรคือมันแก้อไมเห็นไหมคอ้ยังนั้นเรยกตูเปย์ครับแล้วก็ดูใจที่มันเพิ่มไปกับเพลงแล้วก็ดูวนก็ดูพอดู<ม>เสร็จแล้วก็มีอีกอันที่บอก มีใจเนี่ยใจใจใจยางไงดูนะแล้วมันเกิดตัวนี้นขึ้นมาก็ช่างมันนะอย่าไปดูใส่ตัวนี้นะตัวดูเออไปดูใส่ตัวดูนะถ้าดูใส่ตัวดูจะเกิดตัวดูซ้อนอีกอจะซ้อนไปเรื่อยๆไม่มีที่สุนสนะุดละที่พระเจ้าบอกปัญญาเป็นอนันตน์อันนี้คือการเพ่งจิตเราไปเพ่งตัวรู้จะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้กลายเป็นสมสถะนะ งั้นเราไม่ไปเพ่งเราเห็นตัวหนึ่งเป็นคนดูตัวนี้แสดงร่างกายเคลื่อนไหวความสุขความทุกข์เคลื่อนไหวนะความดีความชั่วเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงตัวดูก็อยู่ตาหางนึงแต่เราไม่จงใจรักษาตัวนี้การที่มันมีขึ้นมานะดีแล้วขันมันแยกอาจารย์แล้วกบางทีบางทีเดินเดินจงเดิน เ, ด น, เ น, นะนเนี่ยมันเหมือนฟอร์ลูลูกายพอพอมาดูที่ขึนโมนเนี่ยมันเหมือนแบบว่า มันสอนดูแล้วมันจะเห็นทุกข์หายเออนะอย่าจงใจตัวนี้เราไม่ดีเราอย่าเปเจ้าใส่มัน<ช>ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าอยู่ๆเราก็อัพตัวเองขึ้นมานะเหมือนก็ดูอยู่ตลอดเนี่ยนึกว่าทำไม่ปัศนานะเห็นแต่ของอื่นไม่เที่ยงแต่ไอ้ตัวเนี้ยเที่ยงเราะฉั้นะไม่จงใจดีถามดีแล้วพอหลังจากภาวนาหลายวันเนี่ยพอออกมานี่เหมือนแบบว่าพ อ, อขับรถเนะี่ยมัน มันใจเนี่ยมันจะไม่ดูหรอกมันจะมาดูที่ใจไม่ได้ต้องรูงหน้าที่ก็เลยก็เลยแบบต้องยื้อการดูนี้แต่แบบก็เลยต้องเปิดเพลงดังๆให้มันบินจออกไปค้อง น, นั่นให้ไปนอกข้างนอกขับรถทำประตอูอยู่ข้างในได้ยังไงให้ให้ดูออกมาเ อ, อต้องดูออกม า, ก ม, ามีคนหนึ่งนะลูกศิษย์หลวงพ่อแหละเรียกไม่รู้กาลเทศะไปขับรถเนี่ยก็ไปดูแล้วจีนก็เข้าไปข้างในเนยตามเมาเห็นไฟแดงสั่งแต่ว่าเห็น <laughs> มันมีรถจอดอยู่ข้างหน้าตั้งห้าขันติดไฟแดงมันชนทีเดียวห้าขันเลยเตี่ยเลยไม่ให้ขับรถอีกเลยผมแต่เราก็ถ้าเกิดภาวนาแล้วแบบมันน้อมไปด้วยก็เลยไปไม่น้อมไม่ได้ไม่ดีเราไปดูขึ้นไหนล้วไม่ต้องไม่ต้องหลวงพ่อเคยทำหลวงพ่อเคยสงสัยว่าต้นตอของกิเลสขึ้นมาจากไหนรู้สึกนั้นขึ้นมาจากเนนเนี่ยเน่ลงไปดูก็สรงจิตลงไปพูดหายไปหมดเลยว่าง ว่างเราก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพากกิเลสโผล่เราดูอีกก็หนีตามมันไปตามตามแต่หายไปอีกล่ะเจอหลวงปู่สินหลวงปู่สินนะเห็นหน้าหลวงพ่อปากมือเรียกเลยไม่ทันจะส่งกรรมฐานาไม่ถามอะไรเลยนะเจอหน้าก็าปากมือเรียกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกกิเลสนอยู่ข้างนอกนี่งั้นเราไม่ส่งเข้าข้างในนะไม่ส่งไปข้างนอกไม่ส่งเข้าข้างใน ไม่รักษาไว้ตรงกลางมีแต่ทำมาไม่ทำอะไรก็คิดหมดอนะ่ะแต่ไม่ทำคิดมากกว่าฝังระเวียนหัวไหมแต่จริงๆเลยนาะไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่สำรวจนะเรื่องจริงทั้งหมดเลยพรับอาจารย์ค่บที่มศกหลงพ่อนะครับผมเป็นคนที่มองง่ายนะครับตีดก็รกษาพอสมควรสวัสดีดดด ก็เกิดความสงสารพูดที่อยู่ใกล้เพียงเงินโดยเฉพาะภรรยาหรือว่าลูกอะไรยาเขามีกรรมก็สำเรกจบาปก็ได้ไปฝึกภาวนาครับโอ้ยยิ่งดีใหญ่คือเดินจงกมนั่งสมาธิครับบริกรรมไปแล้วก็หลังจากละกบริกรรมแล้วก็รู้สึกว่าจิต มีความสุขชยมา น, นะัรัแหละเป็นท่าสมาธิาสุกชอยมาก็มีความเชื่อว่าด้วยด้ยมีความเชื่อว่าการทำเช่นนี้เนี่ยจะทำให้จิตผู้รู้เนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นไดนะครับทีนี้มาวันนี้เนี่ยมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยก็ได้รู้อย่างหนึ่งนะครับว่าคือจิตผู้รู้เนี่ยจะต้องตามดูทั้งกายและใจนะครับคือ คือคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าการสแนวทางนี้มาประกอบกันคือจริงๆแล้วที่การปฏิบัติเนี่ยนะถ้าทําเป็นแล้วเนี่ยจะไม่มีสายกายสายจิตเพราะอะไรบางทีสติก็รู้กายแล้วก็เห็นว่ากายเป็นใจหลักที่สติรู้จิตก็เห็นจิตเป็นใจหลักนี่บางคนหัดใหม่ๆอ่ะรู้ตามธรรมชาตินี้ไม่ได้ก็เอาวันเดียวก่อนถนัดดูกายแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูกายถานัดดูจิตแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูจิต แต่ถ้าทำเป็นแล้วนะจิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริงนะไม่มีสายกายสาจิตอีกต่อไปแล้วนะที่หลวงพ่อว่าขี้โมโหแล้วดีเพราะว่ามันเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดนะเราเห็นว่าตัวเองร้ายกาศนะอันนี้ก็ดีที่เราเห็นว่ามันความจริงของเราเป็นยังไงนะที่ว่าดีดีมาเรื่อยๆนะไม่ได้แกล้งชมนะเป็นเรื่องจริงเลาจย่งไปภาวนานี้ยิ่งดีไง นี่อยากจะถามหนูอีกครั้งว่าการเอานาถ้าหากว่าหลังจากรับคำปริกรรมแล้วเนี่ยก็จิตเราก็จะว่างมีปิติบ้างมีสุขความสุขที่โชยมาเนี่ยนะครับตัวนี้เลยนะนี่เป็นเป็นประโยชน์ใช่มเป็นเป็นเป็นประโยชน์มากนะในยุคนี้หาคนทําสมาธิเกิดปิติเกิดสุขไม่ค่อยมีแล้วหายากทําได้ดีแล้วแต่ว่าต้องเดินปัญญาต่อสมาธิไม่ทําให้บรรลุมากผล ปัญญาจะทําให้เราบรรลุมรรคผลนี้พอจิตมันมีความสุขมีปิติขึ้นมาอย่าให้ปิติครอบจิตเราเห็นว่าปิติเขอยู่ส่วนหนึ่งจิตเขาอยู่ส่วนหนึ่งนะปิติอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความสุขก็เด่นขึ้นมาเราก็ดูไปที่ความสุขอีกเราก็เห็นว่าความสุขกับจิตนี่เป็นกุลาลันกันความสุขอยู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตจะเปอุเบกข า, า, าขึ้นมาแล้วไล่ขึ้นไล่ลงไปเลยอันนี้เดินปัญญาอยู่ในสมาธินะ แล้วถ้าออกจากสมาธิมาเนี้ยตัวรู้จะเด่นตัวอย่างของโยมเนี้ยตัวรู้ไม่จะเด่นอยูพรเราได้สมาธิมามี ม, มีมีพลังมากมใช่ไม่ได้มีพลั ง, ลงนะต่อต่อไปที่ดูเลยเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูด้วยไปนะถ้าจิตมีสมาธิอย่างนี้ดูกายดีที่สุดแล้วที่ฟังมานี่ว่าจิตมีสองดวงคือจิตผู้รู้กับจิตผู้เป็นอย่างนี้ถูกต้องนะครับมัก็คือจิตอันเดียวกันแหละแต่จิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะไป บางครั้งมันมีสติมีปัญญาแล้วมันก็เป็นจิตผู้รู้บางครั้งมันก็หลงเป็นจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้แสดงไปมันก็จิตนั่นแหละแต่ว่าจิตตัวรู้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นตัวชิดตัวเพ่งตัวอะไรไปเกิดแล้วก็ดับแล้วตัวรู้เองก็เกิดดับนะอย่าไปคิดว่าตัวรู้เที่ยงนะแล้วไม่ได้ฝึกให้ตัวรู้เที่ยงด้วยหลวงพ่อนี่แหละฝึกได้ตัวรู้มาจนเด่นดวนแล้วแต่เป็นโยมจิตเหมือนโยมอย่างเนี้ เจอครูบาอาจารย์หลวงปู่สิเนเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่สินนะเจอหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนเขางงมากแปลว่าอะไรผู้รู้รู้อะไรรู้ตัวต่งางเนี่ยผู้รู้ผู้รู้นี่เราเป็นจิตเป็นผู้รู้แล้วเดินปัญญาต่อเดินปัญญา ก, ก็คือดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นเรื่อยไปเนี่ปัญญามันเกิดค่อยลดลาะวางไปสมาธิเฉยๆมีแต่สุขอยู่ยนั่นเลย ไม่ได้อะไรขณะเป็นมสธยคาลุนพ่ออ่ะคือหลวปฏิบัติตามรูปแปนะคะคือคอยลาดอกไปโยมเสื้อเขียวเวลาที่เรากําหนดจิตเข้ามาเนี่ยนะรู้สึกไหมจิตมีน้ําหนักไหมรู้สึกจิตมันหนักขึ้นไหมถ้ามีน้ําหนักขึ้นมานะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเกิดการบังคับจิตขึ้นอะไร อันนี้แหละสุดนตไวใข้างอัตตากิลมัฏฐานโยโยกนะเริ่มบังคับนะแต่เบื้องต้นจะบังคับก่อนก็ได้แล้วรัว่บังคับหนะแต่วไปพอมันคลายออกมาความสุขมันจะโวยขึ้นมาปิติสุขก็จะเกิดขึ้นนิสิบังคับตอนที่เราเริ่มบลอยเออแต่ตอนเริ่มเนี่ยไม่เป็นไรอย่าบังคับยืดคืนตัวนะบังคับตลอดนี่ใช้ไม่ได้จากลักรกรรมเลยกรรมนะก็จะเอาโฉยต้องฝึกจะนะแต่ไปมันก็บบาตลอดไม่ต้องรอรอลอับเบาบริกรรมอะไรหรอกนะถ้ารวบประมาณนี้ไม่ถูกละ แต่เบื้ต้จะร่วบไปก่อนไม่เป็นไรอของโยมว่าไงหนูปฏิบัติตามรูปแบบคือไหอว้หพระสวนมวตแล้วก็เดินจงกร ม, มทุกวันนะคะหลวงพ่อหนู่ยาถามหลวงพ่อว่าตอนนี้หนูปฏิบัติโยในทางไหมคะโยสิ่งถ้าหนูไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันนดีแล้วสีดีไหมก็ดีค่ะไปข้อสี่บางทีก็ไม่ได้ข้อสี่ข้อสี่ถ้ใช้สติเยอะหน่อยข้อสี่มันส่วนมากจะพูด ฟุ้งซ่านเลยพูดเยอะอพูดเยอะแต่ล้วถ้าเรามีสติอยู่แล้วสีมันก็จะดีขึ้นใจมันอยากพูดละก่อนที่ใจจะพูดนะมันจะมีความคันเกิดขึ้นก่อนนะรู้ออกไหมจะคันคันคแล้วคนไปบอกว่าคันปากไม่ใช่เปนคันที่ใจใจมันจะคันยิย่งๆมาก่อนนะคนไม่ได้ก็ต้องพูดออกไปเรามีสติรู้ทันนะไปสีแล้วก็จะดีใช้ได้ที่ฝึกอยู่ขณะเ น, นี้รู้สึกไหมจิตขณานี้กับตะกี้ต่างกัน คือเหมือนกันดูออกไหม่าค่ะเออแล้วหนูรู้สึกตัวถูกต้องหรือยังคะคือบางครั้งหนูเหมือนขยับมือหรือขยับะแต่หนูต้องรู้อย่างหนึ่งนะคาว่าถูกเนี่ยก็ถูกช่วขณะไม่ออกไหมเดี๋ยวถูกเดี๋ยวก็ผิดอีกนะอย่างนั่งคุยกับหลวงพ่อเนี่ยถูกมั่งผิดบ้างตลอดเวลาดูออกเปล่าล่ะค่ะเออถ้าคาคาก็ใช้ได้แล้ว ตื่นเต้นเห็นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นหลวงหลวงพ่าคะเวลาหนูเดินจงกรมหนูไม่แน่ใจว่าหนูเดินถูกไหมคะบางครั้งมันก็เหมือนมันเพ่งไปหรือว่ามันลงไปถ้าเพ่งง่ายนิดเดียวดูง่ายถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่ัจะแน่นขึ้นมาเมื่อนั้นหนักหนั ก, นกแน่นแ่นทันทีเลยก็รู้ว่านี่โลคแล้วที่ที่เป็เพ่งเนี่ยเพยเราะว่าโลคอยากดีคือหนูไม่ทานอากาหนูอยากดูให้ทานง อยาอยากเลยอย่างไรก็ไม่ได้ให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะแล้วจะมันจะเร็วขึ้นเองค่ะหลวงพ่อเพราะว่าบางทีหนูเดินแล้วหนูรู้ตัวว่าพอเราคงจะตั้งใจเดินไปเราหนจะมันจะปวดท้องเออนะเพ่งแรงเดินสบายๆสิพยายามสบา ย, ยาจต่มันไม่แต่หันใหม่ๆมันต้องตื่นไปก่อนเป็นธรรมชาติเป็นอย่างทุกคนเลยแล้วมันจะค่อยๆ ค, ค, ค, คลายออกแล้วค่อยพดีเอง อยู่ๆจะเอาเริ่มต้นจะให้พอดีน้ําจะหย่อนไ ป, ปนก่ับมาวิชาการจากพ่อค่ะก็คือเนื่องจากช่วงนี้ไม่ได้ทำประจาําก็มีเวลาปฏิบัติตามรูปแบบนั่งสมาธิค่ะทีนะะี้เมื่อประมาณสามสี่เดืที่แล้วเนี่ยได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้นั่งทําอนานานัสติเนี่ยแล้วมันก็ไปเห็นเข้าใจว่าเป็นภาคสี่อะคะ่ะคือเมันลงขึ้นลงขึ้นลงเพราะเรา มันพัดอยู่ในร่างกายค่ะห็นี้พอเราปฏิบัติพระธรรมเนี่ยกร่งก็กลายเป็นเอ่เห็นเห็นความร้อนที่มาน่าจะเป็นธาตุไฟแล้วธาตุไฟขาดแล้วก็เห็นข้างในมันเหมือนเนื้อเต้นกรือกระเจินกระเจินอยู่ในร่างกายอย่างนี้ยค่ะออแล้วตอนวันนี้บางทีเวลาออกจากสมาธิเนี่ยมันก็จจุบันก็เหมือนเห็นเนี่ยลงพัดไปพัดมาอยู่ในร่างกา ย, ยเวลานั่งนิ่งๆอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วมันเสียหายตรงไหนล่ะคือสงสัยว่าอันนี้มันเป็นสมาถารไหมคะแล้วเราจะเป็นปัญญาอย่างไรดูไปเลยมันเป็นเองมันไม่ใช่เรานะเบื่อต้นจะช่วยมันคิดพิจารณานิดหน่อยก็ได้ว่ามันเป็นเองมันเป็นธาตุไม่ใช่เรานะจริงๆใจมันเดินได้อยู่ไม่เป็นแล้วนพะ่อบอกว่าจะดูใจเราพี่หนุต้องมันเห็นเองแบบนี้มันเหมือนกับเราช่วยช่วยคิดเหมือนกัป็นเช่นนั้นเองอะไรอย่ับได้ตอนแรกๆตอนแรกช่วยคิดได้ ตอนที่ยังช่วยคิดอยู่เนี่ยเรียกว่าสมาสนญามเราเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดออกนะถ้าตรงที่เราเห็นสภาวะเกิดดับไปได้จริงๆเป็นวิปัสนาจริงๆเนี่ยเป็นอุทยพยาญาณขึ้นไปแอนเปิลต้นเนี่ยเราเห็นนะอย่างนี้เรียว่าธาดมันแยกออกมาที่แยกธาดแยกขันในกายได้ไหมธาดมันแยกออกมาถ้าดูจิต ด, ดูใจให้เห็นแต่ละขันมันแยกออกไปเมตนาขันสัญญายขัน นะสังขารขานันวิญญาณขันนี่หัดแยกไปเรื่อยนะเจอสุดท้ายมันจะเห็นนะแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความร้อนไม่ใช่เราเห็นไหมที่พัดไปพัดมาไม่ใช่เราจะดูไปเรื่อยๆนะในสุดก็เห็นเลยร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆเนี่ยไม่ใช่เราสระนันเดียวถ้าดูอย่างนั้นนได้คือรู้สึกว่าดูจิตจะไม่ไม่ค่อยไม่ถนัดดูจิตก็ดูกายแต่มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอย่างเนี้ยถูกแล้วแต่เกิดไม้ว่าใจกับกายเนี่คนละ มันก็เหมือนกับว่าเราดูอยู่แต่บางทีก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเราไปดูหรือเท่งที่มันเหมือนดูใกล้ได้หนาได้อะไรต่าเพ่งเมื่อไหร่อะมันจะแน่นดูตรงนี้ถ้าแน่นไม่ใช่ค้างก็แน่นบาครั้ก็ไม่แน่เออทันั้นก็บางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดง่ายนิดเดียวตรงข้อครับบันทีบอกว่าบางทีเวลาเรานอนอย่างเงี้ยก็คือตอั้นสมาธิเสร็จแล้วเราจะลงไปนอนเนี่ยค่ะมันก็คือเหมือนเข้าสมาธิไปโดยตอนนั้นก็แฉแล้วก็ เออ <c oughs> ได้ดูอย่างนั้นไปเลยก็ได้ไมีไปกุ้งแจมานนอไม่หลับคือว่าอย่างี้เราก็ดูเข้าไปเรี่อยๆนะอาจจะช่วงช่วยเขาคิดดๆได้ช่วยคิดได้นะแต่ต้องต้องรู้จักเลิกอด้วยนะถึงเวลาต้องกาพักต้างทางความสงบ <c oughs> ใจอยู่ในอารมณ์เดียวม่ยงนั้นจะเดินปัญญารวดไปเลยแห้งแล้งใจจะแห้งแล้งไปไม่มีความสุขงว่าเดินปัญญา้ใช่ค หลักนมัสการหลวงพ่อค่ะเรอโยมเห็นกิเลสตัวเองเยอะเลยค่ะคือเห็นว่ามันร้อนมันอับอึอยู่ข้างในนะคะแต่ว่ามันก็มาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเที่ยงมันก็มาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตัวที่เห็นมากคือความฟุง้งยิ่งเวลาที่เราเกิดความโลภอะไรขความฟุ้งมันจะมาหลุดหลุดไปหมดเลยบางทีคิดฟุ้งจนกระทั่งต้องใช้บสทสวดอิติปิโสว่าค่ะ ส่วนส่วนมันก็หายไปนะคะทำท่านี้ก็หายถ้ถูกแล้วนะถ้าฟุ้งมากเราก็ทำสมถรคาส่วนเงินเราทำอะไรไม่ได้ก็ส่วนนี้เป็นฟุ้งนนอกจากในรูปแบบเพราะถ้าในรูปแบบนี้เราก็เอ่อทำการเอ่อมองเห็นอยู่แล้วก็เห็นขนาดป่าคือคือโยงทําในรูปแบบเป็นประจำเป็นจงกรมนะครับแล้วก็ธรรมชาตินี้ที่ในฐานะของพ่อตอนเนียว่า มีคนชวนว่าจะให้ไปปฏิบัติที่แถวบ้นานหลวงพ่อค่ะโยมคิดว่าโยมก็ทํ า, ทาหน้าที่ตัวเองอยู่ปฏิบัติอยู่ที่บา้านที่อยู่บ้านได้ดีที่สุดนะผ<ต>ู้หญิงไม่ควรจะร่อนเร่ไปลำบากแล้วก็ไม่สะดวกสบายนี่เป็นเรื่องหนึ่งแล้วไม่ได้ทําประโยชน์คิดว่ามันไม่สามารถให้ ก, กิเลสโยมจะเ อ, อิบหนังไม่ถลอกนะคะโยมว่าทําที่บ้านเห็นชัดแล้วก็เมื่อก่อนหลวงพ่อก็เชียร์นะพวกเราไปหาที่ภาวนาอะไรย่างเงี้ย หลังๆน่ะติดตามผลแล้วมันแย่กว่าเก่าไปแล้วก็ฟูมากกว่าไปแล้วก็ไปฟังทางโน้นทีฟังทางนี้ทีพอน้ำไม่เป็นหนอกซึ่งนพวกที่อยู่บ้านดูของเราดุยดุยไปกวาดบ้านเนี่ยเห็นร่างกายมันกวาดอะไรอย่างนี้นะวันนี้กลับดีสักบ่อยค่ะค่ะก็กุดโกรธอยู่เป็นล้งชาก็ล้างชาชาร์เสร็จหายโกรธไปแล้วอะไรอย่างนี้นต้องให้เห็นว่าความโกรธก็ลดลงแล้วลๆๆลลหายไปนะไม่งั้นมันเผลอ อ๋อเื่อเราเปลี่ยนอารมณ์อ๋อช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเปลือยใช่คือโมหะไมพพันั่งไปฟังเพลงไโกรธโกรธอยู่แล้วเราไปฟังเพลงหรือไปล้างจานเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เราไม่ได้เห็นว่าความโกรดเกิดเราดับอ๋อค่ะจิตประสงออกนอกไปใช่มันหนีค่ะนะไม่เดินปัญญาออกไปนะขอบคุณค่ะแล้วอีกอย่างหนึงคือพาทีเรารู้ว่ากายเนส่วนหนี้จิตก็ส่วนหนึ่งแต่เราจะไปมีตัวกับกล่ว่า เราไม่มีตัวรู้อยู่ะ<ม>เออเหมือนกับเราปั้งใจที่จะไปคิดาหาตัวรู้แต่จบว่าตัวรู้ก็ไม่มีเนี่ยมัไม่ต้องหานะค่ะ ม, ม, มันมีของมันเองไม่ต้องไปรักษามันไม่ต้องไปหา ม, มันไม่ต้องตรวจคือตัวใจก็รู้ว่าสัวใจใช่นะทาําต่ อ, อ, อไปกลับขอบพระคุณฟุ้งไปนิดเดียวหลยฟุง้งน้อยลงนะคือยังฟุ้งอยู่ยังฟุ้งอยู่กลับขอบพระคุณหลวงพ่อที่ทําให้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยค้นพบความมีสติ เป็นนะคะเพราะว่าหลวงอยู่ลานมากนะคะอภิธนานะหลักตอนนี้หลวงพ่อนะค ะ, ะหนูเริ่มฟังหลวงพ่อมาอมแล้วก็เริ่มทำมาประมาณเดือนขึ้นนะคะพบแต่ตอนแรกๆที่ทํำตรงแรกมีแต่ความหนักค่ะตอนนี้นก็ยังหนักอยู่ค่ะมันห น, นักก็ราะเาโลกเราอยากปฏิบัติมันก็จะแน่นนะแน่น ม, มากๆเลยจนแบบคือเหมือนออพยายามจะแบบ ทำให้มันหายก็ไม่หา ย, เ, ายเราสั่งมันไม่ได้ก็แล้วก็พอทำมาเรื่อยๆก็มีทำในรูปแบบไปด้วยค่ะแลวกพอช่วงหลังๆก็พอเพอๆไปก็จะรู้สึกสบายไปแต่ว่าพอนึกขึ้นได้ใหม่ก็หนักอีกนี่แหละใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละนะยิ่งนิสัยจริงจังมันก็จะเป็นเยอะอันนี้ผลงพ่อมีอุบายอะไรให้ราคลายหลวงพ่อไหมคะตอนตอนี้ <c oughs> <c oughs> อ่นใหม่ๆโอ้โจะมีความสุขทั่ทีเดียวนะอย่างที่มีตอนเราค่ะครานนี้ก็ฟัง CD หลวงอมาเรื่อยๆค่ะก็หาคําตอบได้เองจาก CD หลวงพ่อ <ปะ S 1> ถามดีกว่าหนูถามไปเรื่อยๆหนูรู้สึก <ๆ S 2> ไหมว่าจิตตอนนี้กับตอนเมื่อสองสามเดืก่อนไม่เหมือนกันค่ะรู้สึกค่ะหนูรู้สึกไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอย่างังไม่รู้สึกไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นบ้างค่ะ ตรงที่เราเห็นได้เนี่ยนะเรียกว่าขันมันแยกแล้วที่ว่าฟังซีดีเดือนสองเดือนเนี่ยนะเห็นจุดที่ขันมันแยกได้อรัไม่ลดตัวเลยเออเที่ยดีแล้วแม่ไม่รู้ว่าดีไม่เป็นไรอันี้เนี่ยฟังฟังหมพอแล้วก็บอกว่าคือเป็นคนที่โมโหด้วยค่ะแล้วก็ด้านบทอีกเออดีอันนี้เนี่ยก็ตามชีวิตประจำวันเนี่ยคือพอตามช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มตามได้ผีมากมากขึ้นอนะแต่ว่าอันนี้เนี่ย บางทีพอตาเสร็จแล้วมันรู้สึกหนักเนี่ยก็ฟังในในน์มดิหลวงพ่อแว่าคนที่ที่โบโมเนี่ยจะต้อง อ, อ่ให้อะไรนะแผ่เมตตาคราวนี้ก็อยากจะทราบว่าแผ่เมตตาที่คือหมายถึงว่าทำในแบบรูปแบบด้วยแล้วก็ที่เรปฏิกรรม<ะ>ในใจเราไปเรื่อยๆก็ได้ใช้บทไหนก็ได้อย่บทของสมเด็จโตก็ได้เมตตาุ้นังอรหังเมตตานะเมตตาุ้นังอรหังเมตตา ก็คือทำาชีพลดยามาทอดได้ก็ก็บริกรรมไปเอนะส่วนเวลานั่งสมาธิจะเป็นคนที่นั่งแล้วหงไปเรื่อยไม่ได้หรอกมันหหิดขี้โมโหทาอะไรที่บังคับตัวเองเกินไปไม่ได้แล้วต้องต้องทยางไบ้างเวลาทนา่ยไรบริกรรมไปบริกรรมทั้งบริกรรมนตอนไหนก็บริกรรมไปได้เวเวลาทาในรูปแบบก็นั่งบริกรรมไปบริกรรมไปแล้วใจมีความสุขก็รู้บริกรรมไปใจ มีควทุกข์ก็รู้บริกรรมไปฟุ้งซ่านก็รู้บริกรรมไปแล้วสงบก็รู้บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจเลยหลวงตามหาบัวท่านเคยเล่านะท่านบริกรรมตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ท่านบริกรมททรมแค่พุทโธพุทโธนี่เลยแต่ว่าไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขนทองนะพุทโธแล้วท่านก็รู้ทันจิตใจของท่านไป ตอนแรกที่ทำนี่พยายามจะฝุกคูแล้วก็ดูท้องพออยู่แต่ว่าทำไม่ได้ไมามแล้ว<ร>ใจมันือคนหงอกใจไม่ออกใจตายเลยเแต่เม่ตาในอย่างที่ว่าบริกรรมไป ใ, ใจมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยเย็นกับนันมาตรการนะคะรู้สึกก่อนเปลี่ยนก้องขอบอกว่ารู้สึกรื้ปิติค่นที่ได้นอนขัดกับท่าน ว่าอยูย่ใกลอยู่ที่อเมริกาก็มีโอกาสที่จะฟังยูทูบของท่านค่ะแล้วก็่าบางทีฟังแล้วก็พอจะรู้บ้างอย่างเช่นว่าเอเรารู้นะ้เราอาบน้ำอยู่หรือว่าเราขับรถแล้วเรามีคนปาดหน้าเราจะโมโหแล้วก็เสร็จก็คขาตัวเองโมโหมเราทูกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกเหมือนกับกําลังมันไม่พอคือวันวันเด น, นผ่านไปวันที่บางทีก็รู้ได้ไม่กี่ครั้งค่ะ แล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าอย่างอีอะก่อนที่จะมานั่งฟังก็อ่านหนังสืออันนี้ค่ะที่แจกแล้วก็มันมีอยู่หัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้องเลือกปฏิบัติตามจริตของเราเองทีนี้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีจริตยังไงเราคนที่จะทํำยังไงให้มีกําลังจริตมันมีสองส่วนนะจริตเพื่อการทําสมถะการจริตเพื่อการทํำนิพพสนา จริตเพื่อทําสมถนในราคาจริตโทสะจริตโมหาจริตเพุทธิจริตสัตตาจริตพิตกจริตมีหกอันส่วนจริตวิปัสสนามีสองันหตัณหาจริตและทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยรักสุบรักสบายรักสวยรักงามวันนี้ให้ดูกายแล้วทิฏฐิจริตเนี่ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยให้ดูจิตเดี๋ยจิตก็เป็นอย่างนี้จิตก็เป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องของสมาธินะชิโมะไหม อ่านดูมี้อานแบบแต่ละอันนะคะรู้สึกมีหมนมีหมดทุกอย่างมีหเป็นแบบผสมผสานแล้วหายใจต้องโมโหด้วยแล้วฟางทีก็ปุ้งซ่านเกิดหายใจไปนะลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานกลางกลงเคยเคยทําอนาปานสตินะครับแต่ดูเหมือนจะแกล้งทำไม่เป็นอสิมันวิธีเวลาจะเริ่มเรารู้สึกแล้วเราฟังขับเราลมหายใจวิธีทําอนาปานสตินะอย่าไปดูลมหายใจให้เห็นร่างกายกําลังหายใจ เนี่ยเห็นร่างกายหาย ใ, ใจเห็นด้วยความรู้สึกนะเห็นหร่างกายหาย ใ, ใจเข้าเห็นร่างกายหาย ใ, ใจออกแต่ถ้าเราไปจ้องสายลมเลี่ยจะเครียดไม่เหมือนกันนะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้ไปเพ่งลมนะถ้าเพ่งลมจะเป็นกระสินลมแต่เวลาเรานึกว่าจะทำมันก็มันก็เพ่งไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแหละเป็นเคยชิน <c oughs> ลองทีทุกคนเลยก็ได้เราเพ่งลมหายใจก่อนให้จับอยู่ที่ลมหายใจให้จิตไปจับที่ลม จำความรู้สึกตรงนี้ไว้น ะ, อะถอยออกมาสายหน้าหน่อยขยับหน้ายิ้มหวานๆเราเสจะเริ่มต้นใหม่นะต่อไปนี้ทําใจสบายๆใจที่ยิ้มหวานๆเ น, นี่ยสบายแล้วนะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นทั้งตัวเนี่ยหายใจเหมือนเราเห็นตคนอื่นหายใจอ๋อรู้สึกไหมความรู้สึกสองด้านเนี่ยไม่เหมือนกัน ดูออกไหมตอนที่เราจ้องลมเนี่ยควรู้สึกแบบหนึ่งนะซึมๆทือท่อๆแน่นๆตอนที่เราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยใจสบายๆแต่ใจปลุกปลกพระเจ้าสอนอย่างนี้นะดูคราภิกสูทั้งหลายให้เธอคูปันลงังนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งกัดสมาธิไม่มีเก้าอี้นั่งแขกนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นเนี่ยขัดสมาธิดีที่สุดท่านไม่บอกดุคราภิกสูท่างหลายให้นั่งพับเพียบไม่ได้บอกฮะ ให้น <unlucky. S 2> ั่งสตมาญูเพราะมันนั่งได้สบายที่สุดเราไม่ได้ถนัดนั่งพื้นนั่งก็วีก็ได้พอนั่งแล้วนะฉันบอกว่าให้คู้งพลังตั้งกายตรงดําโงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยนะที่สุดทั้งหลายให้เทิงฟุ้งพลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ได้ให้หลับตา แล้วก็ท่านไม่ได้บอกว่าให้ดูลมหายใจท่านบอกว่าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นะมีกายกับใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนั่นแหละถ้าทําได้อย่างนี้นักสมาธิจะเกิดเร็วแลยเพรใจมีความสุขสมาธิเกิดจากความสุขนะบางคนคิดว่าสมาธิทําให้มีความสุขที่จริงความสุขจะทําให้มีสมาธิ ถ้าสมาธิละเอียดขึ้นไปนะเป็นอุเบกขาไม่เป็นสุขหรอกงั้นทาใหม่นะไป ห, หายใจเห็นร่างกายหายใจของหนูนะ่ะปัญหาใหญ่เลยคือฟุ่งสร้างคิดเก่งมันคนกว้าตลอดคิดแล้วก็งงเองเออนั่นแหละบอกให้รู้ลมหายใจก็นั่งคิดบอกให้ดูร่างกายหายใจก็นั่งคิดอีกนะไม่ได้ดูสักทีเลยเดีดูไป อย่าไปหลงอยู่ในโลกของความชินเราถ้าเกิดว่าจะให้เริ่มต้นปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะถกลับไปแล้ว<ง>เห็นอยู่ตัวเนี้ยมันทํางานไปทั้งวันเลยเห็นตัวเนี้มันยืนเดินนั่งนอนกวาด บ, าบา้านถูบ้านซักผ้าว่าต้นไม้เราจะต้องแบ่งเวลาในมคะที่หลงพ่อบอกสิบห้านาทีสวดมนต์หรือแบ่งได้จะดีนะจะ ไ, ได้แรงแล้วแต่งออกมาแล้วให้ทําอะไรคะสวดมนต์หร่อย ส่วนวันนะั้นเราก็ทํากรรมฐานอะไรก็ได้นะแต่เราถนัดจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตนั่งก็นั่งรู้ทันจิตใจไปเดินก็เดินรู้ทันจิตใจไปอย่างหายใจ เ, เห็นหนา้าตาหายใจนั่งเห็นหนา้ากายหายใจไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านในทางสมถะเรื่องจริตคือฟุ้งซ่านพวกวิตกจริตนะ เพราะงั้นกรรมฐานที่หมอมเห็นล่างกายหายใจไปนี่หลวงพ่อสอนอีเลยแล้วถัดจากนั้นก็ดูจิตไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วดูไปเดินปัญญาด้วยกันดูจิตใจไปมาต่อไปนั่ะสกัดรหลวงพ่อค่ะว่าปีที่เราส่งกปบ้นาน ก, กับหลวงพ่อบอกว่าขานบันเริ่มแยกแล้วค่ะแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่เข้าใจอ ะ, อะไรนะ คือไม่แน่ใจว่าที่เห็นน่างกายหายใจเหย่อมันมันคือแยกไม่รู้ว่าแยกหรือเปล่าแยกไม่ใยกเป็นช่างมันนะไม่เป็นไรหรอกที่สัมผัสจะรู้สึกตัวไปเห็นน่างกายหายใจแล้วก็เป็นแค่คนดูเห็นน่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เป็นคนดูแต่ใช้เกตดูถ้าเราดูแล้วใจมันแน่นๆไม่ใช่นะถอยออกมาอย่างนี้ซึมอย่างนี้ดูไม่ถูกอย่างนี้เราน้อมใจให้ซึมไป เราใช้ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละไปรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจเราจะไปทําใจให้สุข น, นี่ยงนเะั้นอยออกมาเลยหาใจแรงๆจีเอลตัวเองทิงใจที่ดีคือใจตรงนี้นะใจขนาดนี้นะนี่แหละใช้ใจอย่างนี้แหละเห็นกายมันหายใจไม่ใช่ทำอย่างนี้นะพ่อทำหน้าให้ดู วิ่งเอาเลยนะอย่างนี้อย่างนี้พออคูนโมหนะยิ่งต่อหนา ย, ยิ่งแย่ยิ่งหวานหวานอีกทีจีเอลตัวเองสิเนี่ยใช้ใจอย่างธรรมดาอย่างนี้นะจำไว้นะอย่าไปใช้ใจที่ผิดธรรมดาค่ะเดิมที่เห็นร่างกายหายใจแบบมันเป็นยังไงคะที่เห็นอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้แล้วมันไปถลําไปซึมอยู่ที่ร่างกายนะันจะซึมอย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรเลย เราต้องใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบาล น, นะผู้โทรผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบาลไม่ใช่ผู้เสื่องซึง้ถ้าเสื่องซึมนี่ผิดละมันเหมือนเห็นชัดดีแต่ไม่ถูกไม่ถูกเห็นชัดแต่ไม่ถูกโมหะแท่งยังเจ็นไหมตัวนี้ซื่อบือ้อสุดท้ายเวลาออกมามจะเป็นนี้นึกออกไหมไม่เอาเลยนะ no <c oughs> เอางี้หนูใช้ใจที่ธรรมดาอย่างขณะนี้ใจหนูธรรมดาอยู่แหละหนูใช้ใจอย่างตอนนี้นะเห็นให้ตัวนี้หายใจแค่นี้แหละรู้ไหมตอนนี้หายใจไม่เห็นนะคะมันมันมันมือนกััก็ลอยไปเลยเออลอยเลมันไม่เข้าไปรวมกันมันต่างคนต่างอยู่นะรู้ก็อยู่ส่วนรู้ร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายเองทุกบาท แน่ขึ้นมานิ ด, นดหนึ่งไหมชัดขึ้นมานล็กน้อแต่เือน่นมากก็ชัดมา ก, กเพราะมันเพ่งเหมือนเราจะดูอะไรให้ชัดเนะี่ยอย่างนี้เมื่อยตายเลยตอนหนา อ, อย่างนี้นะหรือเราจะอยากดูให้ชัดเนี่ยทีแรกก็เพ่งนะแต่ไปก็หมดแรงก็ห อ, อกอย่างนี้นะไม่ได้นะเนี่ยจะดูมันก็ดูด้วยใจปกติอย่างนี้ หรือใช่ใช้ใจที่ธรรมดามันมืนถ้าใจทอนามันมันหลงไปเลยมันไม่ไเพรนบริการอะไรไม่ก็ได้พุโทโธพุโทโธไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก่อนแล้วฝึกจิตให้มีพลังก่อนบาที่จิตไม่มีแรงเนี่ยทําให้ต้องถลําลงไปแล้วสึงไปเลยเพราะฉะนั้นพุโทโธไปนะพุโทโธพุโทโธไปจิตมีความสุขรู้พุโทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้เล่นพุทโธไปได้ รูบาอาจารย์ส่วนใจแล้วก็พูดโทรมาทั้งนั้นเลยท่านอีกบ้านเล่นค่ะเวลาเวลาที่ดูสภาวะมันเห็นแต่สภาวะอย่างนี้ก็คือผิดใช่ไหมเราเห็นแต่สภาวะนะใจเราอยู่ตะหงนะในี่ใจเราถลเขก็ไปที่สภาวะด้วยนะไม่ดีขันมันไม่แยกปัญญาจะไม่เกิดเราตามมหาบวกพูดถึงขนาด น, นี้นะว่า ถ้าแยกธาตุแขันไม่เป็นอย่ามาควิมวัดเรานะว่าเจริญปัญญาเนี่ยไอ้นั่นไม่แยกเลยไม่เข้าไปรวมเปน็นเดียวกันเลยอันนี้คือให้พุทโตพุทโตนะเรารู้ทันจิตต้องใช้หลักนี้นะพุทโตเรารู้ทันจิตไปเลยพุทโตแล้วจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วจิตสงบจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้เฉยเฉยพุทโตเรารู้ทันจิตไปนะจะได้กําลังกําลังหนูไม่พอน่ะมันก็เลยถลําลงไปก็ที่หายใจอยู่วันนี้ให้เลิกไปใช่ไหยคะเลิกที่ฝัน หายใจเรสูบไหมครับเริ่เ ป, ป็นก่อเอาพูดโธอีกว่าธรรมศาสการหลวงครับผมปฏิบัติมาจนคิดว่ามีสีนรพลโนมัติแต่ยังไม่บริสุทธิ์อืมีกิริโภตปัจจุบันเออดีครับดีแต่มีทาไมแต่อีกล่ <laughs> รู้สึกว่าความสุขมันมันไม่เหมือนมันหายไปหมดมันไม่เหมือนช่วงปฏิบัติใหม่ๆแต่ใมรู้ไหม ตอนหันใหม่ๆเนี่ยเราหันรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวคือจิตมีสมาธิมันมีความสุขโชยขึ้นมานะครับแต่ในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มันไม่หาความสุขไม่เจอไม่มีต่อไปปัญญาเป็นแก่กล้ากเลยนะในสามโลกเนี่้ไม่มีความสุขในสามโลกนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอจิตเห็นจิต็นจิตถึงจะวา ก็อย่างเราเห็นใจเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกว่บ้านก็ยังยึดไกลมันมีทางเลือดเราเห็นจิตเนี่ยสุขบ้างทุกว่ามันก็มีถังเลือดแต่ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะเห็นธรรมนั้นแล้วทีมันมันมีอะไรผลขึ้นมาการโอบอยู่มันได้อะไรครับนั่นแหละสังสารวัตมันหมุนอยู่น ะ, นะสังขารมันปรุงมันปรุงนะปรุงขึ้นมาแล้วถ้าบางถ้านานกว่านั้นนันก็จะแปลออกมา เป็ความสุขแปลออกมาเป็นความทุกข์แปลเป็นดีเป็นช่วงมาดูมันไปเรื่อยๆครัูแต่ไม่ถล้ำลงไปนะมันรัคาครับเพราะแน่นอนถ้าเราเห็นตัวที่หมุนจีอยู่กลางอกเนี้ยจะเห็นแต่ทุกข์เลยจุดที่จะได้พักมีอยู่ที่เดียวเท่านะั้นคือการทําสมถะเหลืออยู่ที่เดียวที่จะได้ใช้ที่พักนะหลังๆนี่สมถะคงทำแล้วสติน้อยครับมันมันหายไปเลยครับเราออกมามันมันไม่ช่าชื่นเหมือนแต่ก่อนนะครับ ต้องนอกใจทําไปยังต้องทำต่อต้องทําถ้าไม่งั้นใจเนี่ยจะเห็นมันมันจะเดินปัญญาทั้งวันทั้งคืนนะมันทนไม่ไหวหรอกทุกข์ยังสุดดียังหึงนีแยกครับแต่แยกอยู่แล้วนะมันแยกอัตโนมัติแล้วปัญหาก็คือมันไม่ได้พักมัคล้ายๆจิตเนี่ยเป็นธาตนะถูกใช้มานทั้งวันทั้งคืนนะเป็นโรงงานท่าตุมันแห้งไปหมดเลยครับมันแห้งแรงไปทําสมถะ แล้วก็เคยพิจารณาผมคนเล่นฟันหนังแล้วจิตมันรวมเออไา้ยางไงนะแต่ตอนนี้มันไม่เอาแล้วผนแตกแล้ว <c oughs> แล้วติดตายเลยตอนนี้มันเขาไปพามากลับมาพิจรารณาผมคนเล่นฟันนังมันมันไม่ได้ต้องแต่ก่อ น, นครับต้องน้อมใจไปอย่าหวังว่ามันจะได้แต่น้อมใจไปทำครูบาอาจก็เป็นอย่างนั้นนะไปอ่านประวัติดูสิหลตาเองก็เคยแล้ว ท่ไปอยู่กับหลวงปู่ ม, มั่นใหม่ๆหลวงทุกวันหลวงปู่ ม, มั่นถามว่าจิตเป็นยังไงท่านมาหาออกสงบสง บ, บทุกวันถูกด่านะแล้ท่านก็เดินปัญญาพอเดินปัญญาแล้วเนี่ยไม่ยอมสงบเลยทุกวันหลวงปู่ ม, มั่นถามาเป็นไงท่านมาหาจิตเดินปัญญาเดินมากๆถูกด่าอีกครับมันต้องรู้นะการเจริญสติเจริญปัญญาเหมือนขับรถยนต์เหยียบคันเร่องอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีเบรกด้วยแล้วก<ำ>็มีอะไรฟัง น้อ ม, น, อมน้อมเข้าไปให้มันทำความสงบเป็นช่วงชวงคงทําทุกวันอยู่นะเออต้องทำํำถ้าทําทําเวลาทําความสงบเลยลืมไอ้ที่หมุนอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ไหวเย็บเย็บนี่ลืมมันไปทําความสงบไปถ้าใจสงบพอนะมันถอยขึ้นมาคนระับมาเห็นไอ้ที่ไหวจริงมันขาดตรงนั้นเลยขอบคุณครับสามนรัตการท้าอาจารย์ค่ะยันปฏิบัติวิปัฒนากรรมฐานแบบ ดูเวทนาแต่นี้บางครั้งเนี่ยมันติดตรงที่มันอุเบกขาอยู่กับเวทนาเป็นนานเกินไปมันไม่ไปเออไม่ไม่เห็นการเกิดดับนขขขะนของขาเขมแลคือถ้าสมาธิแรงไปมันจะไม่ดูเกิดดับเวลาเรารู้เวทนาอย่าไปจ้องใส่มันเราเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะล้วได้เห็นเวทนาเองก็เกินดับ จิตเองก็กระดับแต่ถ้าเราจ้องใส่มันจ้องจ้างจ้า จ, จะนิ่งนิ่งไจิตมันจะนิ่งไปอย่าให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยจิตนี้ไปคิดหรือยัง<ะ>จิตนี้ไปคิดหรือยังยังค่ะใหม่งั้นต้องถามใหม่ <laughs> เรานี้ยหนแล้วยังไม่เห็นอย่างตอนเนี้ยมารอฟังหลวงพ่อพูดรู้ไหมค่ะเออรู้ว่าใจมันรอรู้เนีย่ยรู้อย่างนี้นะ รู้เป็นสบายๆอย่างนี้อะไรจิตจะไม่ติดนิ่งติดเฉยเนี่ยใจอยากพูดไหมเห็นเห็นใจที่อยากพูดไหมมันมีแรงดันขึ้นกลังหน้าอกนี่ต้องดูอย่างนี้สิ เ, เรียกว่าปฏิบัตินะไม่ดูแต่เวทนาแ ล, แล้วใจก็อย่งนี้เฉยไปหมดเลยนะไม่เอา ก, ก็คือจริงๆจะตั้งใจดูว่ามันกลับไร ตั้งใจดูไมได้ดูไปอย่างที่มันเป็นไม่ต้องตั้งใจมากนะตั้งใจมากใจจ ะ, จ ะ, จ, ะจะนิ่งกว่าความจริงจะจะเครียดเลดูเล่นๆดูมันดูคนอื่อย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดรู้ไห ม, มเออชักทราบแล้วนี่ชักชักเป็ดแล้วนี่คอยดูนะโยเมป็นคนช่างคิดนะนคนช่างคิดนะันอย่าไปนองใจให้นิ่งเลยเสียเวลา ให้รู้ทันใจใจหลายไปคิดก็รู้ใจสุบก็รู้ใจทุกก็รู้ใจอยากพูดรู้เวลาโยกจะพูดเนี่ยเสมอคุยกับเพื่อนนะรู้สึกได้มันชอบอินในการคุยเนี่ยรู้ตัวนี้เลยมันจะอุ้ยจะมันนะจะดันที่มันจะให้พูดมันจะมันดูออกไหมไปหัดดูดูบ่อยๆนะเราก็ทํากรรมฐานให้มันถูกอณิสัยเราอณิสัยเรานี่มันอยากพูดเรารู้อยากพูดเรารู้ไม่ว่ามันนะ ไม่ได้น้อมให้มันนิ่งแต่ถ้าใจมันเฉยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเป็นสมถะแน่นอนแต่ว่าการดูเวทนานะั้วไปเพ่งเวทนาถ้าไม่เพ่งนะจิตจะเปลี่ยนใจตลอดเวลาเนี่ยอยากพูดอีกแล้เห็นไหมเอออย่างนี้ถึงจะเป็นนะอย่างนั้นขอกลับเป็นว่าคือมันนานเกินเลยจะต้องออกอีกคังไปถึงว่าเลิกไม่ต้องเรา่าตามไปไม่เสียอะไรเลย ไม่ได้เป็นบาป ก, กรรมอะไรบำเวทนาก็ทำไปแต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยอย่าทาใจให้นิ่งใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนใจแล้วก็คอยรู้เอาถึงเวลาทำในรูปแบบก็ดูเวทนาไม่เป็นไรหรอกจริง<ๆ>เวทนาเนี่ยเป็นตัวที่ดูยากเวทนานุปัสนาการกายานุปัสนาเนี่ยเหมาะกับพวกพวกตัณหาจิตรักสุขรักสบายรักสวยรักงาม เต่แยเป็นสองระดับถ้าเห็นสีอ่อนนะให้ดูกายเห็นสีกล้าแข็งดูเวทนานี่ถ้าปัญญาของเรากล้าแล้วเราจะดูเวทนาเห็นกายอยู่อันหนึ่งเห็นเวทนาอยู่อันหนึ่งเห็นจิตอยู่อันหนึ่งเห็นต่างคนต่างทํางานต้เห็นอย่างนี้ถ้า ต, ตัวนี้ไม่ทํางานตัวนี้นิ่งเฉยเลยเห็นแต่เวทนาเห็นแต่กายช่างใชไ้ไปได้มันเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งต้อใจ ก, กล้าๆปล่อยให้มันทํางานแน่นไป พระมัศ ก, การเจ้าค่ะว่าไงชาวสุพรรณไม่ไดกลับหงพ่อเป็นปีเลยแค่ไทีไ่น้าหลวงพ่อบอกว่าโยมติดนี่กับจิตไม่มีกําลังนะคะแล้วรู้สึกไหมว่ามีแรงมากขึ้นไหมแล้วก็ดูถูกแล้วนี่แล้วมันก็ไม่นิ่งอยู่เฉยๆดีสิถ้าอย่างให้ก็ใช้ได้แล้วทนะีนี้เวลาโยมปฏิบัติเออมันจะนถือว่าเวลาเห็นเวทนาก็าเห็น แต่ทีนี้เราจะต่ อ, อยังไงนะคะคือเรารู้ไม่ว่าจะรู้อะไรนะต่อไปเราก็รู้ทางจิตไปจิตนั้นเป็นประกานของธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาขึ้นมาเราก็เห็นสั์แต่ว่าเป็นเวทนาเกิดแล้วก็ดับไปบังคับก็ไม่ได้นะจิตยินดีต่อเวทนาให้รู้จิตยินร้ายต่อเวทนาให้รู้คนที่ดูเวทนาเนี่ยมันถีพลาดตรง น, นี้นะยังดูดูทุกข์นะแล้วใจไม่ชอบไม่เห็นตรงนี้ การเป็นจ้องจ้องเมื่อไหร่มันจะดับเมื่อไหร่มันจะดับนะใจไม่เป็นกลางในเวลาเจ็บป่วยมากๆเจ็บหนักใกล้จะตายเนี่ยเป็นจ้องเวทนาอย่างเดียวเลยนะจิตทนไม่ไหวนะดีไม่ดีไปเอาไปวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือเห็นเวทนาแล้วจิตไม่ชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบเข้ามาที่จิตเนี่ยรู้ทันจิตไปเวทนาแรงขนาดไหนเรายังพอทนได้จิตไม่แตกรับมาดูจิต ใช่ก็มาถาอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ลงมาที่จิตคนเดียวเองอกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตราเป็นมัสัการหลวงพ่อค่ะโดยโยมจติีบาทรธรรมปฏิบัติสมถากรรมฐานเป็นปฏิติพิสัยมาสองสาปีแล้วค่ะแล้วก็ ถึงสีงหน้าเลยเป็นปวิสัยแล้วก็วันวันท้าก็จะถึงสีงแดงนะคปะปฏิบัติธรรมก็จะเรียนมาในลำดับนะคะไปเราจิกเบามาช่วงแบบเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ไปวุ่นวายกับรูปที่จะเปลี่ยนชั้นเป็นชั้ น, น, นหมหนึ่งก็ความเพียรในการสมานาไม่ร้อยโลนนะคปะปกติจปะปฏิบัติตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนพอ ค, ความเพียร น, น้อยก็มาใช้หลักสฏิปาปาร์คไนฟังซีดีหลวงพ่อค่ะ ก็มาไปฏิบัติก็เห็นจิเห็นความคิดนะคะพอความเพียรน้อยลงกุ้งเนี่ยรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันมันมันหลงมากขึ้นเจ้ค่ะแล้วก็สมถะจะน้อยลงความฟุ้งซ่านมากขึ้นเจ้ค่ะก็ขออุบายคำอุบาอาจารย์เจ้าค่ะคือตรง น, นี้มันต้นอยู่ที่การกรดานนั้นนะทำสมถะมากไปแล้วไม่ยอมเดินปัญญาก็มีแต่ความสุขเป็นคนดีแต่ไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอก จเจริญปัญญานะมันจะทําให้ฟุ้งง่ายการจเจริญปัญญาเนี่ยมันปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วเราตามรู้อย่างที่เขาเป็นยี่คนที่ทําสมาธิมากมากเนี่ยพอปล่อยการบังคับเนี่ยจะฟุ้งมากกว่าคนปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราทำสมาธิเนี่ยทำทุกวันนะไม่เลิกหรอกแต่ทําแล้วพอวจิตใจสบายแล้วนะออกมาดูกายออกมาดูใจทํางานเดินปัญญาต่อ สมสถามันเหมือนเราไปชาร์จแบตนะชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จเสร็จแล้วไม่เอาไปใช้เลยทิ้งเอาไว้จนแบตเสื่อมแล้วก็มาชาร์จอีกไม่มีประโยชน์อะไรหรือ น, นั่งชาร์จมันทุกวันไม่เคยเอาไปใช้เลยนั่นเราที่เราทําสมสถ า, มถามนะเพื่อให้มีแรงมาเดินปัญญางานหลักของเราคือการเจริญปัญญาเพราะว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ด้วยสมาธินะแต่เราทําสมาธิเพื่อให้มีแรงเดินปัญญาแล้วเองงั้นเราทําความสงบเนี่ยพอสมควรแล้วนะ ออกมาดูกกายเลยเห็นร่างกายทํงางานเห็นจิตใจทํงางานดูเหมือนดูคนอื่นไปถึงจะตอบไปได้นะหล่อพ่อค ะ, อะตอนที่ปฏิบัติสมถานี่ก็ดูดูกายของคนที่ทำงานใช่ไหพก็พิจารณาค่ะตอนนั้นก็พิจารณาก็ก็ก็ได้ผลพอสมควรนะคะแต่งวด่อเม่อขนาดปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่รวบรวมสมาธิสติได้นะคะ S <S ไปพิจรารณาซ้ดเพราะว่าความฟุ้งซ่านมาเยอะเจ้าค่ะ <S 2> <S 2> ฟุ้งซ่านมากนะบริกรรมไปไมได้ทำอะไรไม่ได้ก็พุโทโธไป <S <S 2> <S 2> พุโธพุโธพุทโธถ้วฟุ้งมากก็พุดโธเร็วๆอใจเริ่มเชื่องเอาพุโทโธช้าๆพุโทโธแล้วรู้ทันจิต <S <S 2> <S 2> พุดโธแล้วจิต ฟ, ฟุ้งซ่านรู้ทันพุโทโธแล้วจิตสงบรูทร้ทันตัวที่เรารู้ทันจิตเนี่ยจิตจะตั้ง ม, มั่นนี่ยมนจะได้สมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะ Ar, ตรงแยกผมขนเล็ดสันหนังบางทีต้องทำใจให้นิ่งก่อนถ้านะใจนิ่งแล้วก็ออกมาแยกผมขนเล็ดสันหนังเนี้ทำได้ดีแต่ถ้าถ้าใจมันไม่นิ่งอ่ะพูโทโธมันไปเลยจ้ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในการ เป่าคำถวายเครื่องจัตุปัจจัยไตยธรรมและพวงมาลัยที่ทุกท่านได้นำมาถวายในวันนี้ขอให้ทุกท่านระลึกตามไปพร้อมกันนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเครื่องปัจจัยไตยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมตปราโมโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกานและงานเถิด ยะถาว่าอิวะหาปุราภิริปุเรนติสาทลังเอวามีวายโตทินังเปตา낭อุปกระปติอินชิตังกะติตังตุมหังคิดเเมวะสมิตสตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทนรโสยะถามีโชติรโสยะาสัพพีติโยกิพัชชะตุสัพโรโควินสตุมาเตปวัดวันตรายโสุขีที่กายโรภวั อาภิวาทนาสีลิสนิจัาวุทาปจายิโนจาตารธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังลักลังเราก็มีมนากัรมโรบาด้วยนะมรนาของพวกเราสนใจการปฏิบัติให้ตั้งใจปฏิบัตินะเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่กับคนไทยเราได้นานสักแค่ไหน ธรรเพียงเพียงจะปฏิรูปใตแไปหมดนะขับเพียงขอโุษท่านผู้หลักอาจารย์พร้อมแตนครับกระกระกระ